อ่เสียงแเสียงดังฟังชั้นเลนะวันนี้วันนี้ลืมเรียกสติมาอีกแล้วคะ่ะพาร์จานลืมเรียกสติก็เหรอสติหายไปไหนละ่ะตนี้ต้องทอํายังไงเมื่สติหายไปอะค่ะพาราจานอ๋าต้องจ่ายเงินเวลาหายก็จ่ายเงินแม่ทีละสิบบาทสิบบาทถ้าสติหายต้องจ่ายเสียตัง ที่โรงเรียนทำยังไงคะพระอาจารย์พอาจารย์ครับถ้าถ้าสติหายที่โรงเรียนทําไงดีอะครับอบอกไปก็ไม่ได้เรื่องหรอบอกหายอยู่เรื่อยๆขี้เกียจบอกบอกถ้าหนูทําตามได้หรือเปล่าอดียดูพรุกนี้ลองดูคาพาจั น, นถ้าสติหายก็ให้พระพุทธเจ้าเรียกกลับมา ขอพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธช่วยด้วยพุทโธพุทโธเขาจแล้วคะพระอาจารย์เข้าใจยังไงทำยังไงเดี๋ยวเมตสติหายทำยังไงให้ให้พุทโธค่ะพรอาจารย์อานะ่าพุทโธไปเรื่อยๆนะไม่ใช่คำเดียวนะ พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธเป็นหนึ่งนาทีทําได้ไหมพุโทโธหนึ่งนาทีนี้ครับอ่าอ่าอทนทํานานๆนะทําแป๊บเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะสติยังไม่กลับต้องพุโทโธไป็ังกั่สติจะกลับมานะโอเคค่ะพ่อจันพรนุ่ <laughs> งนี้จะลองดูที่โรงเรียนนะครับตอนสติหายเนีหายเมื่อต้องพรุ่งนี้นะคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วเนี่ย <laughs> เลยนะอย่าไปรอพรุ่งนี้สติหายตอนไหนก็ต้องใช้พุทโธตอนนั้นเลยพระอาจารย์โอเคพระอาจารย์เราเริ่มจากวันนี้เลยค่ะพราจารย์พูดเก่งนับปากยังฉาชานเลยถึงเวลาจะทําได้เปล่าเนี้ได้ไหมได้ค่ะพระอาจารย์โอเคหวังว่าคงจะทําได้นะถ้าทําได้เราจะ จิตก็จะกลับมาเป็นปกติถ้ามีสติแล้วก็จิตก็จะนิ่งเฉยต่กกอเนื่สกร์พระจันทร์นะคะอะ่วันนี้ไม่มีวีรกรรมอะไรมาเล่าเลยโอ้โหก็เนี่ยค่ะวีรกรรมคุณครูปกติคุณครูจะมีมะเมสเซจมาทุกทุกวันนะคะพระอาจารย์ถ้าวันไหนที่มีวีรกรรมวันนี้คุณครูมาหนึ่งหนึ่งหน้าโทรศัพท์คุณครูบอกว่ า, วา วันนี้ไม่ไม่รายงานนะคะคุณแม่ให้ถามพีเคเองว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ตอนไปรับบอกนึกไม่ออกเดี๋ยวขอนึกก่อนสักพักเมื่อสักครู่นี้ก่อนอาบน้ำก่อนเข้ามากาบว่าอาจารย์บอกมีอะไรให้สารภา <c oughs> ก พ, พากดสติไม่มีไปไม่ฟังคุณครูไปปวนนะคะ <c oughs> คุณครูก็เลยบอกว่า ม, มันจะต้องมีมาตรการเด็ดขาดหรืออาจจะไม่แน่ใจ เรื่องพิจารณาต่อป2ออหรือเปล่าเอลอเดีย2ที่นี่ได้หรือไม่ได้คะอาจจะต้องส่งกับไปอยู่เรียนที่นู่นหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยค่ะวอาจารย์อืมเออย่างว่านะเด็กค่ะเด็กเป็นเด็กพิเศษ เ, เด็กไฮเปอร์อเด็กไฮเปอร์เดี๋ยวปลายปีมีนัดเทส i อคิวเขาค่ะเพราะว่าไ คุณหมอสงสัยว่าไม่รู้ว่าเป็น IQ คิหรือว่าเป็นสมาธิสั้นอะไรหรือป่าแต่คุณหมอบอกว่าก็ไม่มีอาการสมาธิสั้นก็พูดรู้เรื่องไม่รู้เดลาดเด็กสัอนอดน่า เ, เนี่ยตอนน้าพระอาจารย์เวลาเขากราบพระอาจารย์เขาเขาพูดรู้เรื่องเขาเข้าใจทุกอย่างนะคะอะแต่เขามันแบบทันไม้กันเมย อ, อยห็นอะไรไม่ได้อา อ, อาจจะเป็นไม่มีสติก็ได้น้ ค่ ะ, ะวเวลาเรียกมาถามก็ทุกทีแหละค่ะกิเลสมันกิเลสมันเอ่อมันหลอกหนูหนูหนูแพ้เสียงกิเลสอ่านกิเลสตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องพยายามช่วยเขาก็แล้วกันนะค่ะพระอาจารย์ถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวอาจจะไม่มีใครช่วยเขาได้ค่ะเนี่ยกําลังคุยกันอยู่ว่าถ้าไม่ไม่พยายามครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะโรงเรียนเขาจะ ใช้มาตรการแบบอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะอาจจะต้องย้ายกลับแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อืค่ ะ, อคะโอเคนายถามมาว่าอาจารย์ช่วยแม่ไว้ค่ะให้เห็นว่าทำการมันไายไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผิสงสัยค่ะค่ะพระอาจารย์คำนามัตการเจ้าค่ะโอเคอ่า ไปที่จ่แม่กับแจที่ก่อนนะจะได้ทำการบ้านครับกล่าวในมรสกการพลาจาร์ครับมีอะไรว่ามาครับก็ส่งกันบ้านครับอ่าพามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นญาณเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื่ออาศัยเราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถออืม เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะครับกัวไหมไม่กลัวครับใจนะโอเคเพราะว่าให้ทําการบ้านนี้ก็เพื่อสอนใจให้เตรียมยอมรับความจริง ท, ทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายครับคอยเตือนใจสอนใจเรื่อยๆ ทางกายเป็นเด่นน้ำลำไฟมีอาการสารสองใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างมีผมขน<ล>เล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเก้นในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าย่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลือง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 ไตผั<อ>งผิดตับ<อ>หัวใจม้ามเนืน้อ ก, กระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผม อ, อ่าเก่งมากท่องได้จำได้เปล่าจำได้ครับจำภาพได้ปล่าไม่ได้เห็นหนา้ากายเห็นอาการเหล่า น, นี้หรือเปล่าก็เห็นบ้างครับต้องพยายามเห็นทุกครั้งไม่ใชเห็นบ้างนะครับ อ, อ่ เห็นอาการใดๆก็ต้องว่าเขาไม่แค่เนี้ยอาการ32เดี๋ยวก็กลายเป็นดิดน้ำลงไฟไปนะครับไม่ใช่ตัวเราของเรานะครับไม่สวยไม่งามอย่ามีแฟนนะถ้าเห็นอาการ32ไม่มีแฟนก็แสดงว่าตาบอดนะครับไม่เห็นจริงเลฮะ โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีมมแล้วค่ะโอเคไปที่น้องทีมตอบค่อครับขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณ ท, ทีม่มาคุณแม่จากน้วมาสการครับพระอาจารย์สะสงการบ้านครับวันนี้อาทิตย์นี้นั่งสมาธิรวมได้หนึ่งชั่วโมงสนาทีกับอีกสี่สิบสี่ินาทีครับโอ้จดถึงละเอยียขนาดนั้นนะน่าจะประมาณนั้ น, นครับ แล้วเฉลี่ยวันข้างละกี่นาทีสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไร่ต่ํตาสุดคือจาได้ไหมลูกหกนาทีห้าส<ม>ิบเจ็ดวิครับอ่อแล้วสูงสุดนะสิบสองนาทีได้สิบสองนาทีนัน่งเกลือกเกเกือบประมาณสิบเอ็ด น, นาทีได้ครับนั่งแบบไหนนั่งนิ่งไหมหรือนั่งขยับตัวไปมาตองไม่ความมั่นใจครับเพราะว่าวามมั่นใจ คุณนั่งนิ่งๆนั่ ง, นงกายต้องนั่งนิ่งๆอย่าไปขยับแล้วใจอยู่กับอะไรดีเอ่อนิ่งไหมเหรอก็ก็ท่าเที่ยวกับม่อนก็ถือว่านิ่งขึ้นแต่ว่าเหลือแตงมือทีย่ยังยุกยิกยุกยิกอ่ะพระอาจารย์ถามว่าใจอยู่กับอะไรฮะภูตโถครับเ อ, อ่ไม่ทำอะไรการาทายสอ่งดูนะต้องได้ไหมหไม่ได้อน ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมก็ได้นะต้ะับพยายามนะต้องตามตามพี่เจสติกับจามัให้ได้ทนะ้องตรงําพกน้ําไม่ได้ครับก็ ไ, <ม>ไปไค่อยๆแต่งน้ำว่าเอาทีละเพิ่มทีละข้อสองข้อสิอันนี้น้ําเลือดน้ําเหลืองพวกนี้ก็น้ําเสร็จน้ําดีไม่ค่อยเติมไปเดี๋ยวมาครบสามสิบสองเองค่ะ มีอะไรจะถามไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมีม่มาเดี๋ยงงั้นหนูขออนุ ญ, ญาตนะคะพระอาจารย์คือช่วงเนี้ย่ะหนูก็พยายามฝึกนั่งสมาธิเพื่อที่จะอะ่นั่งให้ได้นานขึ้นนะคะพระอาจารย์หนูก็ใช้วิธีตอนนี้ตั้งเวลาค่ะตอนนี้ก็นั่งสี่สิบนาทีมาได้ติดกันสองวันแล้วทีนี้วันแรกที่นั่งนะคะพระอาจารย์มันก็แบบ อร์มันอยู่อยู่เหมือนมันเสียค่ะมันร้อนแต่ก็รู้สึกว่าเออตอนอยู่ในสมาธิมันก็รอ น, นะคะพรอาจารย์แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราหนูเป็นคนต้องมีรักษาสัจจะค่ะเหมือนว่าถ้าเราตั้งใจว่าอันนี้เราต้องตั้งใจว่าเราต้องนั่งให้ได้สี่สิบนาทีค่ะมันก็ร้อ น, นะคะพรอาจารย์แต่ว่าแบบ แต่ยังไงก็ต้องนั่งแบบเหมือนกับต้องนั่งให้ถึงอะค่ะหนูก็นั่งไปหนูก็บางครั้งถ้าหนูแบบท่องพุทโธไม่ได้หรือดูลมแล้วหนูก็จะนึกถึงพระาจารนะฮะนึกถึงตอนที่พระอาจาร์เวลาอยู่ในช่วงทําสมาธิอะค่ะแล้วก็นึกถึงว่าเออตอนที่พระอาจารย์นั่งก็ไม่ได้มีแอร์นั่งอากาศร้อนๆเหมือนกันเลยแบบนี้ค่ะหนูก็แล้วก็หนูก็จะได้แบบนั่งต่อไปได้จํานวนครบสี่สิบนาทีอะค่ะพระอาจารย์ก็เป็นอย่างงี้มาสองวันแล้วค่ะก็หนูก็ ก็โอเคในระดับหนึ่งว่าเออเราก็ได้นั่งถึงตามเป้าที่เราตั้งเอาไว้แบบนี้ค่ะพอาจารย์แต่เวลานั่งก็พยายามอย่าอย่าให้มันคิดมากนะให้พยายามอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจอ่ามันก็แบบคุทิมก็หลังก็คิดไปคือไม่ได้จะแต่ไม่ได้คิดเรื่องออกจากทางธรรมหนูแต่หนูจะ มือนชะชอบคิดถึงคําพูดของพระอาจารย์อะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้ว่าพระอาจารย์มักจะสอนอยู่เสมอว่าเวลานั่งเนี่ยทําสมาธิเนี่ยแบบไม่ให้คิดเรื่องอื่นเลยแบบไม่ให้คิดเรื่องอะไรเลยคือคือเหมือนให้อยู่กับคําบริกรรมหรือว่าอาการสามสิบสองอย่างเดียวะค่ะหนูก็พยายามที่จะกําหนดอยู่กับตรงนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนแบบอย่างที่บอกมันความคิดมันก็จะแว บ, บไปถึงแบบ ตอนที่พระอาจารย์เทศพูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้คมันคือมันว่าไปเองแต่ก็จะรู้แล้วก็พยายามจะดึงกลับมาค่ะพระอาจารย์ก็จะคิดดูกันค่ะพยายามดึงให้กลับมาอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้อย่างเดียวอ่าพอเหมือนอย่างเวลาหนูแบบใช่ไหมคะหนูก็จะนึกถึงคําพูดที่เวลาพระอาจารย์พูดสอนเรื่องว่าเออเนี่ยให้กลับมาอยู่กับตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้มันมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อยู่สลับไปสลับมาเรื่อยๆจนถึงแบบอาจจะในจุดจุดหนึ่งที่แบบ อยู่กับลมหายใจได้สักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับไปเอาละกลับไปคิดถึงพระอาจารย์ต่อละอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะใช่ให่ๆ ม, ม, มันชอบไปคิดอยู่แ ล, ล้วต้องพยายามเดินกลับมานะคไค่ะไม่ต้องกังวลว่ามันไม่ไป<ะ>มันมันต้องไปอยู่เรื่อยเพรา ะ, ะมันเป็นนิสัยที่มันชอบคิดเรื่อยไป<ะ>เราต้องพยายามดินกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานนะ ค่ะ ก, ก็ดึงกระสู้กันไปกันมาแบบ น, นี้หอค่ ะ, ะพระาอาจารย์แล้วก็คืออย่างวันก่อนพอดีเมื่อวานนี้หนูเห็นข่าวที่เขาแบบพอดีเห็นพ็อปอัพขึ้นมาพอดีเรื่องที่เขาไปเจอแบบโครงกระดูกคนตายในตึกร้างอะไรแบบเนี้ยค่ะพระา อ, อราจารย์แล้วเขาก็แต่รูปที่หนูเห็นคือเป็นรูปโครงกระดูกแบบคือเขาถ่ายแบบ close up ใกล้ๆเลยเขาไม่ได้เซนเซอร์ค่ะมันก็มีอยู่หลายภาพเหมือนกันนะคะแล้วหนูก็แบบแต่หนูมองมองวน เปิดไปเปิดมาเปิดกลับไปกลับมานั่งดูอยู่อย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ก็นึกถึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะคะคือแคอเห็นแบบคือมองว่ามันคือธาตุดินแบบเนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ว่าแบบเออตอนเราตายมันตอนที่วิญญาณเหมือนจิตมันออกจากร่างไปแล้วมันก็จะเหลือแต่ธาตุดินแบบนี้คือเศษหนังศรีรษะก็ยังติดหัวอยู่แบบมีผมขาวๆมีอะไรแบบกระดูกปากกระอ้าปากกระโหลกอ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเห็น กระดูกทั้งทั้งหมดอย่างเงี้ยที่มันมีแบบแบบหนังยังติดอยู่อะไรเงี้ยหนูก็นั่งดูแบบแบบแต่ดูกระดูกก็ก็เราก็ดูก็คิดถึงพระอาจารย์ว่าเออให้มันมอมันเป็นเนท่าตินก็ก็รู้สึกแบบก็เฉยๆค่ะพระอาจารย์แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นแอดวานซ์ที่จะมองอะไรที่แบบเป็นเป็นแบบสดสดหรืออะไรขนาดนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะคือต้องมองกลับมาที่ตัวเรา เราก็ไม่อยู่เหมือนกันอ่ะใช่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเราก็ไม่อยู่อย่างนี้อยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่น่าจะตื่นเต้นตกใจเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าตั้งแต่คุณเห็นคุณพ่ออะไรอย่างนี้ด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์คอยสอนตลอดเวลาเรื่องการสามสิบสองให้มงเนี้ยค่ะก็ก็จะเวลาเห็นก็จะค่อนข้างจะเฉยเฉยนะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบว่า อาจจะแบบเห็นจนขึ้นอืดหรืออะไรขนาดนั้นยังยังยังไม่ได้ไปเห็นข่านอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อเห็นว่าถ้าเห็นจริงๆก็ก็คิดว่าแบบเหมือนถ้ามันบังเอิญเห็นจริงก็คิดว่าแบบก็คงจะพอจะแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวหรือว่าอะไรเพราะก็มองว่าวันหนึ่งคือหลังๆก็จะคิดว่าวันหนึ่งมันก็เราตอนนี้รูปมันก็ยังดูดีอยู่แต่ถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นในสภาพแปลกเปลี่ยนที่มันมันเน่าเฟสแบบนี้เหมือนกันอะไแบบเนี้ค่ะอืม ถ้าเกิดไปถูกเที่งไว้ที่ไหนไม่มีใครมาดูแลมันก็จะต้องเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติของมันค่ะพาาาระจ่าก<ม>็ก็จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะพิจารณาแบบนี้ต่อไปอะค่ะอื<ม>่ทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่หมดไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์รางกายมันไม่เทียงโดยไม่ไมเพราะอานบัญชาจะกลายเป็นศพอย่างเดียว<ม><ม>เดี๋ยวมันก็ต้องแก่หนังก็ต้องเหี่ยวย่น หน้าตาก็ต้องเปลี่ยนไปออ่ะสุขภาพก็ต้องเป็นเปลี่ยนไปโลภายข้เจ็บก็จะมีภาพมากขึ้นมากขึ้นค่ ะ, ะพิจารณาทุกมิติของร่างกายเพื่อเพื่อเตรียมสอนใจให้ยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายต่อไปใจจะได้ไม่ทุกข์ตามใจตั้งเราค่อยเตือนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายนะ ร่างกายที่เราเห็นอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นคนรับใช้เราเราเป็นคนที่สั่งมันให้ทําอะไรเพียงแต่เราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนท่า น, นีอค่าพระสารลองพยายามสอนอยู่เรื่อยจะได้เห็นภาพชัดขึ้นมาใครเป็นใครร่างกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรใจเพียงใดเป็นผู้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่มีความสามารถที่จะคิดที่จะสั่ง ตั้งใจให้ทหําอะไรได้ผ่านทางความคิดเนียค่ะอีะโอเคนะกขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะอ่าจ้าชู้อ่าน้องน้องพีต่อน้องพีทําอะไรอยู่งานรัศ ก, การไวก้กอกผมกาลังทำโปรเจกของน้องพีอยู่ครับเอี่ยทำอะไรโปรเจกอะไรทําทําเป็นวิดีโอวิดีโอ ใช้ใช้ของอเดียนโลทําเอะทาเสร็จแล้วแล้วก็แก้ใหม่แก้ใหม่ทําใหม่ครับแล้วก็เอาแล้วก็ทําเป็นกล่องอยากจะโชวหลวงตามากเลยบอกก็ทําเสร็จแล้วอยากทําให้มันสวยกว่านี้สรุปทาไม่ทัน <laughs> <laughs> <laughs> ทําเสร็จแล้วก็อยากจะทําใหม่อีกอะไรเงี้ยยังไม่แบบ perfect ย, ยังไม่พอใจ ยัยไม่พอใจหนูก็ว่าก็ทําดีแล้วนะคะก็ยังไม่พอใจจะทําใหม่ฟังก่อนคุยกับหลวงตาก่อนอย่างนีเนี่เยเอาซึ่ก็เทปเนะี่เดี๋ยวคุยกับหลวงตาก่อนจะทําทแบบนี้นั่งสมาธิทุกวันหรือเปล่าครับไม่ครับอื <c oughs> สวดมอนอย่างเดียวกับออืมแม่แม่ไม่ได้เป็นป้าหก <c oughs> ซื้อคนหนึ่งก็ไม่ได้คนหน่งก็นั่งสมาธิกันได้ค่ะ <c oughs> มา่วันวันนี้เมื่อเชานน้านี้นั่งสมาธิได้สิบห้านาทีได้ถึงสิบห้านาทีอยู่เลยใช่ะนั่งแบบไหนอ่ะนั่งแบบนั่งแบบนิ่งหรือเปล่านั่ขยับไปขยับมานั่งนิ่งอยู่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะแล้วก็ฮาเชยแล้วก็ขยับไปขยับมาแต่หนูก็บอกโอเคั้งนั้นก็แต่ก็ให้นั่งนั่งจนกว่าพอดีว่ามีบทสวดมนต์เปิดให้เขาฟังด้วยค่ะ ม, มันก็เลยทาให้เขา โฟกัสกับการที่เขาได้นั่งสมาธิค่ะนั่งเสร็จแล้วก็ให้แผ่เมตตาค่ะอืก็รวมๆแล้วมาเช้าก็ปฏิบัติได้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทําทุกวันหรือเปล่าไม่ทุกวันค่ะพอดีว่ามาเช้าเขาลงมาเร็วแล้วพอดีหนูกําลังกําลังนั่งสมาธิอยู่เนี้ยค่ะอืมเสร็จแล้วก็เลยพอหนูใกล้จะแผ่เมตตาหนูก็เลยให้เขานั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะ โอเคนี่ยพยายามฝึกสอนไปเรื่อยๆนะของของดีๆของสำคัญมีคุณประโยชน์ต่อจิตใจอย่างยิ่งเข้าใจไหมลูกมองหลึ่งตาที่ที่เป็นมองจากของไม่ <c oughs> มได้สนใจเลยเลวลาเราเศร้าโศกเสียใจของเหล่านั้นช่วยเราไม่ได้น ะ, ะแต่พุโทโธจะช่วยเราได้นะอืมวยญนาณ มุดตัวจะทำให้เราหายเศร้าโศกเสียใจนะเล่าให้สบายเออเล่าให้หลวงตาฟังดิสองอาทิตย์ก่อนที่หนูไม่สบายเลาไปแล้วว่ฉัยังไม่ได้เล่าที่ที่หนูป่วยป่วยมาสองอาทิตย์ก่อนที่น้องพีโดนโดนพันลมที่ว่าที่หูใช่ไหมคะอืมแล้วพอหลังจากนั้นสองวันก็ป่วยไม่สบายค่ะติดกันเป็นอาทิตย์เขาก็ซึมไปเลยแล้ว เล่าให้หลวงตาฟังสิหนงประสบเองอะที่น้พที่น้องพีกดสมองไม่ใช่ที่น้องพีท่องออกมาเองที่น้องพีท่องอาการ32ออกมาเองหลังจากที่หลังจากที่ว่าหนูหลังจากที่ว่าหนูโดนพัดลมปั่นหัวตอนที่หนูหนูนอนอยู่ดีๆน้องพีหนูก็ท่องท่องอาการ32ขึ้นมา ขึ้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะทำมาไงท้องทาไมนอนอยู่นอนป่วยค่ะเป็นเป็นไข้แล้วก็อาเจีย น, น่ะคะอาเจีย น, นแล้วก็ถ่ายท้องด้วยค่ะติดติดกั น, นหลายวันช่วงใกล้สอบพอดีแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้วมามะเหมือนว่าเขาเหมือนประมาณว่าความตายเป็นอย่างนี้นี่เองออ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาอยู่ๆเขาก็ท่อง ท่องอาการสามสิบสองนี้ขึ้นมามเขาก็เล่าให้หนูฟังคําว่าเออดีแล้วแสดงว่าที่เราเนี่ยมา่มาม้าพาให้หนูท่องทุกวันทุกวันที่หลวงตาสอนให้หนูให้หนูทำํทำทําให้เรารู้จักเวลาเราเจ็บปวดปเวลาท่องนี้มามันก็ทําให้เราคลายทุกข์อะให้เราได้เข้าใจกับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันหนูก็เลยก็ชมเขานะคะว่าแสดงว่าหนูนี่เนี่ยแบบเราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ความจริงรก็พอถึงเวลาที่ เราป่วยหนักๆแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแสดงว่าหนูก็ก็มีบุญหนูก็เลยบอกเขาอะก็ก็ชื่นชมเขาอะค่ะเวลาสว ด, ดเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะสวดเส็จแล้วรู้สึกยังไงครับตอนนั้นรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่าร่างกายเรา ม, มีมีแค่เพื่ออยู่แต่ไม่ไม่ได้อยู่ตลอดไปอืแล้วมีมีวันเจ็บป่วย มีวันมีวันสุดแล้วก็มีวันเสียหายแล้วใจเราสบายขึ้นไหมสบายขึ้นไหมค่ะนะช่วยบรรเทาความเศร้าใจได้ไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งนะ <laughs> ว่าทำน้อยไปยนะต้องนั่งองหลายๆรอบด้วยเลยนังท <laughs> องทุกวันอืม ก็ดีค<ำ>่ะก็ยังยังยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์ชน เ, เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ที่บังคับให้ทําทุกวันมันมันจะมีประโยชน์ก็ตอนที่เราเจ็บป่วยเวลามีความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราท่องพุทโธได้ท่องบทสวดมนต์ได้ใจเราก็จะหายเศร้าโศกเสียใจได้ไดนะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนที่หนูป่วยไม่สบายไปแอดกมิดที่โรงพยาบาล หนูก็ไม่ได้บอกแย้ดยานะคะมีแต่ทานบ้านหนูหนูก็ไม่ได้ใครไปเฝ้าหนูก็ฟังสวดมน์แล้วก็ทําสมาธิอะไรในะอยู่สองวันที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะทํามาตลอดก็มันก็ไม่รู้สึกเจ็บขณะโอ้โหโหนนิพนไปทั้งตัวเลยเพราะว่าพยาบาลต้องมาเจาะเลือดหนูคือทั้งตัวเลยสี่สี่ที่อ่ะเจาะเลือดไปตรวจตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะอืม ก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยมันมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆหนูก็ใช้คําบริกรรมของหลวงพ่ อ, อนี่แหละคะ่ะร่างกายไม่สบายเราก็ต้องรักษาใจด้วยใจอย่าอย่าให้ใจไม่สบายตามร่างกายใช้ธรรมโอสถใช้การสวดมนต์ใช้การนั่งสมาธิใช้การพิจารณาด้วยปัญญานะอันนี้ของของจริงคะ่ะของอแท้แน่นอน ตอนนี้ต้องทําทําการบ้านเนยเตรียมสอมไห้ก่อนเวลาเจอข้อสอบเจอของจริงเนี่ยนะทำข้อสอบได้นะการลงข้อตอนนั้นก็เกือบตายแล้วค่ะตอนนั้นก็เกือบตายเลยค่ะสว่วนถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้แต่ใจ<ด>ทุกข์กับมันเยอะแล้วกันตายค่ะหนูก็หนูก็คิดว่าเออถ้าถ้าตอนถ้าตอนนั้นหนูตายก็คือให้ตายไปเลยก็ ก, ก็ก็คิดก็คิดอยู่แบบนั้นนะคะก็รู้สึกใจสบายก็ฟังธรรมะแล้วก็ สวดมนต์ตลอดอย่างเงี้ยค่ะบางที mm hmm. ก็แบบพยาบาลเขามากําลังจะสวดมนต์นนก็บอกพยาบาลอย่าพึ่งเข้ามารออีกชั่วโมงขอขอเวลาปฏิบัติก่อนพยาบาลเขาเขาก็เข้าใจคนะ่ะเขาก็เลยออกไปแล้วค่อยเข้ามาใหม่โอเคดีมากมีอะไรไหมตอนหนูไม่มั่นใจว่าตอนปิดเทอม ห, หนูจะมีโอกาสเดินไปหาหลวงพ่อไหมเลยยออันนั้นไม่เป็นเรื่องสําคัญเลย โอ้ยสำคัญกับหนูค่ะให้หนูได้ปฏิบัติก็แล้วกันสําคัญกว่าได้ประโยชน์มากกว่าค่ะม า, าเราไม่ได้อะไรเราะได้ค่ะห<อ>ลวงพ่อได้ไปทําบุญกันหลวงพ่อได้ไปอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อมีความสุขมากๆเลยค่ะกใกล้เดียวกันที่สุดตอนนี้ยตอนนี้ก็ใกล้ทีสุดแล้วใกล้กว่าใชค่ะแต่แบบว่า<อ>แบบว่าไม่ได้ตักบาตรไม่ได้ไปฟังธรรมไม่ได้ไปอยู่ใกล้<อ>ๆก็เลยอยากไป พอดีตอนนี้แบบโรงแรมก็วันนี้เขาก็ไปมัดจำคุยอะไรแล้วค่ะก็คงจะต้องรอใกล้ๆที่จะไปไปเทคโอเวอร์อืมก็คงงานงานคงจะยุ่งมากใตอนนี้งานภาวนาะทำกันอยองงานทำทานนะทำบุญนะค่ะทำทาคู่กันตลอดอตอนนั้นก็เพิ่งพ่งไปทำบุญลงศพมาม่าที่ที่แล้วเหมือนกันนะอืมค่ะไปทำกับครอบครัวทำมาทั้งหมด ผ้าผ้าลงแล้วก็ผ้าติดผ่อศพค่ะอืมเวลาอยู่นี่น้องอยู่บ้านใหญ่โตนะเวลาตายนี้บ้านแล็กนิดเ ด, ยเดียวว่าอยู่ได้นะใช่ค่ะหนูบอกลูกเมื่อเมาวานเพิ่จะคุยกับลูกชายคนตบอกโอ้ยทํามาจะตายสามวันนะลูกอย่าลืมมาทำํำพิธีกรรมแล้วสามวันพอลูกชายเขาก็แซววันเดียวก็พอมั้ง ม, า ม, าม่าม้าแต่คุยกันตลกนะเขาก็บอกม่ามา้าหนูพูดเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยว่าเออรู้ เพราะว่ามามาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทำเยอะมันก็ตายไปแล้วอะ่ะทำดีก็ทำตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละมันเห็นกันตอนนี้ก็เลยว่าแบบนี้ค่ะเวลามีชีวิตอยู่ก็โลกต้องมีบ้านใหญ่โตแต่วเวลาตายนี่มักน้อยขอลงเล็กๆก็พอส <c oughs> ันโดดและอยู่คนเดียวในวันนี้นเราก็มีแค่นี้นะใช่ค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> หลวงพ่อสบายดีนะคะจ้าสาธุดจ้าโอเคนี้ก่อนนะค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อด่าแข็งแรงนะคะจ้ า, า, าที่รักเสมอรักสํ<ๆ>าเสมอคุณปุ้ยการนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้คุณปุ้ยมาได้ทันค่ะอมีอะไรไหม คุณปุ้ยจะมารายงานตัวกับพระอาจารย์ว่าคุณปุ้ยปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนมันนอนไม่หลับ ก, ก็เลยแบบนอนไปได้สองชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งสมาธิกับพระอาจารย์ค่ะอยมยมก็นั่งสมาธิไ ป, ไปฟังพระอาจารย์อ่ะยมนั่งสมาธิไปประมาณสี่สิบนาทีมั้งแล้ะมันอยู่มันก็ เหมือนหลับโยมแบบเหมือนหลับข้างในอะคะ่ะแต่มันก็ใจสบายอะค่ะโยมยังบาําเพรือปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอย่าดีทําไปเรื่อยๆนะคะโยมไม่ทิ้งหรอกเพราะโยมตัดสินใจแล้วโยมต้องเก็บคําพูดแม้แต่อาจจะย่อนยานแต่โยมก็มคือไหนๆก็จะเดินทางทำแล้วโยมต้องทําให้ได้ค่ะแล้วโยมกไมไม็ไม่ไม่ไม่ไม่ทานตอนเย็นด้วย โยมทำมาได้ถึงสามปีนะพระอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆทำเพิ่มมากขึ้นด้วยนะทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมากยิ่งดีขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะอ้าสาทุาุพระอาจารย์สบายดีนะคะอันนี้หวอยออกถูกว่าตะเลบ่ะอาจารย์โยมว่าขำมากเลยแบบโยม เห็นน้องคนนั้นบอกว่าไปถามเอไอยมก็เลยไปถามดรอกเตอร์เอไอขาให้ยมไปซื้อแต่เขาบอกไม่ตรงอะ่ะมีแต้มเดียวยมไปซื้อเจ็ดเก้าแล้วเขาบอกเจ็ดเจ็ดะและเขาบอกข้า ง, งบนเขาก็ผิดไปแต้มเดียวยมบอกอะไรว่ไไมะบุญยังน้อยไปต้งทำบุญให้มากขึ้นถูกต้องค่ะ โยมต้องสร้างบุญสร้างบลมีขึ้นมันมันแบบเราไม่ได้เล่นเป็นการพนันน่ะพระอาจารย์โยมเล่นบเหมือนกัสนุกสนานหนึ่งอย่างช่วยชาติค่ะเดีถ้าคิดอย่างนั้นก็ดีใช่ค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะจ้าถืออ่าไปที่คนลูกตาลต่อ มาสักการค่ะพรอาจารย์มาสกการค่ะรอาจารย์เออเป็นยังไงแม่ก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะดีวันดีคืนไหมดีดีขึ้นค่ะไม่ไม่ถอยค่ะรอาจารย์แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเดินแต่ก็ไม่ถอยค่ะฉะนั้นก็อย่าถอยลัางก็แล้วกันนะพยายามค่ะพยายามมากๆกค่ะ ของหนูมันจะมีมีแบบแต่ว่าตอนที่จิตมันจะเข้าสมาธิแล้วเข้าไม่ได้จะมีอาการแรเอวิ๋งค่ะพระอาจารย์รู้เฉยไปรู้เพ่เฉยไปอย่าไปบังคับมันปลไปมันเหมียงไปเราก็อยู่กับพุทโธของเราไปมีอาการอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องสนใจเวลาจิตจะรวมนี้บางทีมันมีอาการแปลกๆใช่ค่ะเก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปวิตกอืมมัน เวลามันจะทำงานบางทีมันก็มีเหมือนกับมันถูกยกยกขึ้นมาทุ่มลงกับพื้นก็มีเหมือนกันถูกถูกผีอำอะไีให้รู้เฉยให้มีสติรู้เฉยเฉยไปแต่มารู้ตัวนะคะมันไม่เหมือนเพรว่าเราสะบงบหรืออะไรแต่นะรู้ตัวว่ามันมันเหมือนว่าเข้าไม่ได้แล้วมันก็เวียงเวียงเวียงแต่ก็พุทโทพุทโธไปอ่ะแล้วบางทีมันตอนที่เรานั่งมันไม่เข้าอ่ะมันจะมันมันจะเข้าตอนนึงตอนที่เราไม่ได้นั่ง เพรามันอาจจะเข้าช้าหน่อยอพอเราไม่ตั้งใจอยให้มันเข้ามันก็เข้าพอเราไปตั้งใจไปอยากให้มันเข้ามันก็ไม่เข้าเะให้มีสติรู้มั <พา S 1> ้มีอาการอะไรกิดขึ้นงรู้เฉยๆจากแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจที่ในประวัติของขอาจารย์หนังสือเล่มแรกที่พระอาจารย์ห น, นังสือธรรมะค่ะเป็นหนังสืออะไรชื่ออะไรนะคะ อ๋อเนื้แนมเป็นหนังสือเป็นภาษ า, ษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังมันเป็นหนังสือสามเล่มสามเล่มตายแล้วอนิจจังทุกขังมนาตตาที่เขาไปคัดมาจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังเกี่ยวกับเรื่องทุกขังเรื่องมานาตตาแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นได้หนังสือมาจากประเทศสีลังกาเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ เพราะนั้นภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชํานาญแต่แต่ในแต่ในหนังสือธรรมะที่เป็นของภาษาอังกฤษว่าคําศัพท์มันจะไม่ไม่สับสนเกี่กับในภาษาไทยเหมือนภาษาไทยมันมันตรงเป๊กกว่าภาษาไทยเรามันมีหลายความหมายบางทีอ่านแล้วมันไม่เข้าใจว่ามันความหมายตัวไหนกันแน่อย่างคําว่าอธิษฐานนี่มันก็ ของไทยเราก็มีหลายมีสองความหมายอธิษฐานขอขอนู่นขอนี่วอธิษฐานตั้งใจในธรรมะมันคำอธิษฐานคือการตั้งใจตั้งเป้าหมายของการการทำแต่เรามาใช้ขอนู่นขอนี่อธิษฐานขอให้พระช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาบางทีเราอ่าน ภาษาไทยมันก็เลยงงไม่รู้ว่าหมายถึงตัวไหนกันแน่เวทนาก็ความรู้สึกบางทีเวทนาก็กลายเป็นความความรู้สึกสมเพศกับเวทนาเหมือนกันใช่มันก็เลย ส, ญญสัญญากาสัญญาก็เป็นความอะไรนะสัญญามั่นหมายกันอสัญญาก็มีหลายความหมายอาสัญญาเราตกลงกับใครไว้หรือเปล่าค่ะ มันมีหลายข้าหมายแต่ภาษาอังกฤษมันมันแปลตรงกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ศึกษาไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจว่ามันหมายถึงตัวไหนกันแน่ <Okay. S 1> แล้วอย่างในภาษาไทยมันมีราชาศัพ์เยอะด้วยถ้าถ <Okay. S 1> ก็เราไม่เคยเรียนมาก่อ น, นมันก็ทำให้งงพระเนธพระกันพระอะไรต่างๆ <laughs> อาการสาที่สองนี่ก็เป็นราชาสัพนะราชาศั์ก็มาจากภาษาบาลีเนี่ย พเกสาพระโลมาพะนัขาพร ะ, น, าาพระนตาเนี่แต่ถ้าแ <c oughs> ปตรงตัวมง่ายกว่าออผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกเนี่ยอันนี้หนูก็ท่องค่ะต้องตอนท่องก่อนจะทำสมาธิค่ะหรือระหว่างทำจะปรุงก็ท่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องช่วยช่วยได้นะหัใจลอยไปคิดมากกันหนึ่งกลับมาให้อยู่กับอาการสาสิสองไปก็ได้ค่ะ <c oughs> บางทีภาวนาก็ต้องมีการเปลี่ยนบ้างแล้วแต่จังหวะแล้วแต่สภาพจิตใจมันฟุ้งหรือไม่ฟุ้งมันสงบหรือไม่สงบมักรรมฐานอาจจะใช้ต่างกันอาจจะใช้ลมบ้างใช้พุโทโธบ้างอืใช้การสวดบทต่างๆบ้างอล้วแตอันไห น, จจ น, นมันจะเหมาะกับกับสถานการณ์ก็ใช้อ น, นั้นไป ดูขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมคะก็กหมายถึงเหตุการณ์ก็คือจิตดาวจิตดาวสงบจิตดาวนิ่งนิง่งหรือไม่นิ่งจิตเราฟุง้งหรือไม่ฟุ้งเนี่ยมันบาทีใช้จะอย่างใช้ตัวเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลอ่าที่ต้องเปี่ยนมาเป็นเป็นสวนบ้างบริกรรมบ้างค่ะอต่าร แต่อย่าเปลี่ยนตามใจอยากต้องเปลี่ยนมาไม่เห็นไม่ผละช่อืมค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์โอเคทําต่อไปนะค่ะขอบพระคุณกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อ่าทุกอ่าคุณวิไลพรเป็นไงพาคุณพ่อมาทําบุญกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ อันนี้คุณพ่อไปอยู่ที่ลาดท้าวเจ้าค่ะค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเอออยู่ค่ะเอ่อปกติแล้วคุณพ่อจะมาอยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันคุณพ่ออยู่อีกหลังหนึ่งแล้วก็เราจะมีอีกบ้านอยู่ที่ลาดท้าวที่เป็นบ้านเก่าของคุณพ่อค่ะ<อ>แล้วพ่อเขาคุณแม่เขาคิดถึงบ้านเก่าแล้วก็อเอาคุณพ่อกลับไปอยู่ลาดท้าวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เจ้าค่ะอืมเป็นบรรยากาศนะ ใช่ค่ะแต่คุณพ่อกม่อยากไปแล้วค่ะคุณพ่ อ, อก็อยากอยู่นี่แต่แม่เขาเขาเป็นห่วงบ้านนะคะเ้าก็พักตึงก็ต้องพาไปดูที่บ้านลาชทาวเลยเจ้าค่ะทําไม่ไ ม, ไม่ถ้าไม่ไปก็ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่ค่ะปิดเอาไว้เฉยๆเจ้าค่ะอืมเนี่ยการมีสมบัติมากก็เป็นทุกอย่งเนี่ยเจ้า <c oughs> ค่ะแล้วพ่อโยมมีสังหายเยอะโยมก็ปล่อยเขาเช่าทําเป็น เป็นปล่อยเช่าบ้านนะเจ้าค่ะสะสมไว้ตั้งแต่อายุ24 25ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะมันก็ดีอย่างเสียอย่างดีก็คือมีไรายได้มีอะไ ร, ไ, รไดค้คอยรักคอยแต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็กลายเป็นผลาญไม่จำเป็นใช่เจ้าค่ะพอถึงนาทีนี้เราอยากจะขายมันก็ขายไม่ค่อยได้แล้วเจ้าค่ะ<ม>ก็คือคือ แต่ว่าเงินก็คืนมาหมดแล้วเจ้าค่ะเหมือนกับว่าเราซื้อตึกแถวแล้วปล่อยเช่าคือสมัยก่อนพอเรามีเงินเราก็เราก็แปลงจากเงินเป็นอสังหาเจ้าค่ะอตอนที่เป็นส า, สาวๆอะค่ะเงินนี่ก็พาเช่าอาคารใแบบน่ใเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเหมือนกับชีวิตเราเราก็ทํากับกองสีแต่เงินมันก็เลี้ยงตัวมันเองอ่ะค่ะโดยที่เราปล่อยเช่าบ้านเขาก็หาเงินของเขาเองถึงเวลาคนเช่าก็จ่ายอย่างนี้เจ้าค่ะแต่โชคดีได้คนเช่าดี แต่ผานช่วงนี้คือเศรษฐกิจเป็นตึกแถวมันเป็นช่วงดาวของตึกแถวแล้วเจ้าค่ะอืม mm hmm. ก็สุดมากก็ปิดปิดปิดพอ ถ, ถึงเขา่าลูกๆเขาก็บอกมามากขายมามาขายก็ทุกค น, นไม่มเป็ใครอ่วใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไปขายตามเชิงการค้าใช่ไหมป า, านะใช่แล้วค่ะแล้วตึกแถวมันจะไม่มีที่จอดรถเจ้าค่ะพระอาจารย mm ์ hmm. ค่ะ mm hmm. สมัยนี้ต้องเน้นที่จอดรถเจ้าค่ะอืม mm hmm. ค่ะพระอาจารย์ขายเดี๋ยวหมิ่นถามนิดนึงคือ โยมโยมจะลองหัดที่ว่าใช้ไฟเผาตัวเองแล้วค่ะแต่เหมือนกับโยมไม่ไม่ถนัดในการไฟเผาพราะพอนั่งจนมันเวทนาเจ็บเราเอาเวทนาให้พยายามให้นึกเป็นไฟเผาตัวงแต่สักพักหนึ่งมันก็ไปดึงกับอานา ท, ที่มานรู้ลมแบบพระอาจารย์มันก็ชักคยเคลื่อนกันอยู่อย่างงี้แทนที่มันจะสงบมันกลับกลายเป็นเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็จินตนาการมันเลยกลายเป็นแบบ โยมทำไม่ได้ถ้า<ต>ทำไ ม, ไม่ได้ไเราปวดจังค่ะ<ำ>ใช้ลมที่กลับมาที่ลมแลากันเอาลมอย่างเดียวเพราะลมเราไม่ต้องจินตนาการมันมีอยู่แล้วมันก็จะสงบเองมันก็จะหายเวทนาหายเจ็บหายปวดไปเองอะคะ่ะแล้วพอเราจะมาทำเป็นไฟเผาโยมพยายามยังไงมันก็ไม่ได้เพราะเหมือนกับมันดึงกันหรือว่าเรายังจินตนาการเป็นไหมคะแล้วแต่ละแล้วแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ แล้วยังไม่ไม่ยังไม่ถึงเวลาก็ได้อาจจะต้องเจอเวลาที่มันมันปวดเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันปวดสุดๆอย่างเงี้ยแล้วทํางานมันก็ไม่หายก็ตอนนั้นน่ะอาจจะต้องมาใช้ไฟเผามันดูก็ได้อืตอนนี้มันยังไม่ปวดจริงมันก็เลยมันปวดแบบแบบเขาเรียกอะไรนะคะนิดหน่อยยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยอาจยังปวดแบบ ขยับตัวหนมันก็หาย อ, อย่างนี้มันก็เลยอ๋อค่ะมันยังมีช่องดื่นได้อยู่แต่เงราเวลาจังหวะที่มันขยับยังไงมันก็ไม่หายลนะนั้นเดี๋ยวจะเล่าใหม่คือเราเอาความปวดให้นึกให้มันเหมือนปวดเป็นเหมือนไฟเหรอคะพระอาจารย์อ่าก็เวลาเราโดนไฟโดนไฟเผาไม่รู้สึกเจ็บไหมนะร้อนแสบร้อนอ่าก็คิดแบบนั้นให้เอาความปวดนั้นเอนก็ อืมเจ้าค่ะโดมจะลองใหม่โดมพยายามทํำไม่ผ่านโดมก็ก็ก็หยุดทําแล้วก็มาดูลมปกติไปอ่า น, นี่มันไม่ใช่เป็นของที่ะทํำกันง่ายๆจริงค่ะพระอาจารย์ตอนมันต้องมีโอกาสมีจังหวะของมันชยังไม่ถึงเวลาถึงโอกาสท ำ, ทำมันมันก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมันค่ะพระอาจารย์ค่ะนั้นโยมก็รู้ลมแล้วก็ลมหายแล้วก็นิ่งสงบไปเหมือนเดิมอ่า เราไม่ได้ทาด้วยความอยากเราทําด้วยความจํา เ, เป็นเวลาเจอเหตุการณ์ที่เราเจอเจอความเจ็บปวดแล้วเราใช้วิธีที่เราใช้อยู่มันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นอ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์นั้นโยมจะปฏิบัติเราใช้วิธีใช้วิธีที่เรามีอยู่แี้ใช้ได้อยู่ก็ใช้ของมันไปก่อนค่ะค่ะถ้าใช้ลมได้ก็ใช้ไปก่อนใช่ค่ะโยมจะถนัดกับการดูลมอย่าง ยมเคยไปวิภากษ์าอีกที่หนึ่งกับพระอาจารย์มานุปเจ้าค่ะท่า น, นก็สอนให้เราละลึกรู้ทีละซี่ทีละส่วนอย่างี้ค่ะ<า>กว่ากว่าจะทำได้สามวันนะคะเพราะยมจะติดกับการดูลมมันก็ให้เรามีสติสติไล่มาตั้งแต่หัวออกมาขาออกมาแขนแล้วก็ปล่อยออกไปอย่างนี้ค่ะ oh, ต้องทา ต, ตามเขช่วงแ้วอึดอัดมากพระา อ, อ, อาจารย์อึดอัดแบบ โอโคอึดอัดอึดอัดอึดอัดแบบขณะใส่เสื้อหนาวใส่อะไรคือถอดหมดเลยพระอาจารย์คือมันอึดอัดมากแต่แต่ก็ได้ได้สักสามวันก็กลับเป็นปกติลมก็กลับมาดูลมคือเราเราเราเราถนิดกับการดูลมคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนนี้มาสอนเขาก็สอนวิธีที่เขาได้ผลแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ใช่เจ้าค่ะวิาีวิธีทาสมาธิมันมีต้องสี่สิบวิธีและสี่สิบกรรมฐาน ค่ะย ม, ยมเอาหนังสือมาอ่านแล้วเจ้ค่ะเพราะตอนนี้ยมติดอยู่ที่ว่าลมหายที่อย่างที่รายงานพระอาจารย์นะเจ้าค่ะมยมก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะนิ่งลมหายนิ่งลมหายอืมค่ะก็ทำไปอย่าไปคาดอย่าไปหวังผลอ่าบางทีมันจะเกิดมันเกิดแบบตอนที่เราไม่ได้ไปคาดไปหวงังถ้าเราไปจ้องอไปรอเงี้ยมั น, ม, นมันจะไม่มาอาจจะใช่ไหมค่ะอืมเระยมก็พยายามแบบจะดูอ่ะ ทำไมวันหายแล้วกลับมาก็จ้องมันยูอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดูอย่างเงี้ยตลอดไห่รู้เฉยๆอย่าให้คิดอะไรก็แล้วกันค่ะกลับขอบคุณค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ักษาค่านอันเดอรค่ะจ้าค่อคุณออมออมาได้ยังออกมาแล้วในนิทรการค่ะเป็นยังไงเข้ามาฟังธรรมค่ะนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะ เดี๋ยวนี้กล้าพูดกล้าอะไรลด้ยังก้าเป็นนักปาศกถาได้ยังปาศกถาอะไรคะอาจารย์อ่าเวลาพูดแสดงอภิปรายอะไรต่างๆไม่ค่ะไปแค่ครั้งเดียวค่ะเอียอ่อเลยะไม่ออนอีกแล้วก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าหัวหน้าให้ไปก็ไปคะ่ะอ่าจองที่พักไป ขึ้นเขาสองคืนเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์จองยากไหมช่วงนี้ก็ไม่ยากนะคะก็จองไปก็ว่างเลยค่ะว่างเลยะอืมยังคนคนไม่ค่อยได้ไปพักกันเท่าไหร่ธรรมดามักที่จองวันนี้แต่ก็บอกไม่ว่างก็ได้ใช่ไหมก็มีใช่ไหมหรือไม่มทุกครั้งที่จองวันไหนก็ได้วันนั้นเลยตามที่เราต้งต้องการ ปกติจะจองล่วงหน้าประมาณสองสามอาทิตย์ค่ะพรอาจารย์อ่อก็จะว่างก็จะมีค่ะก็เลย <Okay. S 1> ไม่รู้แต่ว่าก็เคยจองประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็มีว่างค่ะอัาแต่แลวแต่จังหวะ ด, ด้วยนะค่ะในเวลาก็เพียงแต่ถามดูอยากจะรู้ว่ามีคนใช้บริการกันมากไหมอ้าง้อยเท่าไหร่จองง่ายหรือจองยากหรือเปล่า คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ให้เราต้องไปก็เลยว่าอค่ะมันถึงเวลาค่ะดีภายเขียวผ um. ่านตลอดนะใช่ค่ะเขาคงมีแต่อย่างให้ไปดีค่ะโอเคไจะได้ทดสอบจิตใจต่อไปค่ะโอเคนะค่ะขอพระคุณค่ะคุณบัว มั็นเวน้องขายเป็ น, นาายังไงเปิดได้ไหมเปิดไมได้ไหมอันนิ้วได้ไหมยอยู่ข้างล่างซ้ายมือขอบซ้ายมืออ่าเปิดได้มาสักการเนะจ้าค่ะอะืสบายดีเจ้าค่ะอ่าเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะอ่า ฟังภาษาอังกฤษรูเรื่องไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะแต่ก็พยายามค่ะพยายามฟังไปเรื่อยๆให้มันชินหูเล้วต่อไปนก็จะเข้ามันก็จะเริ่มเข้าใจต่อไปเจ้าค่ะไมายม่ก็ฟังแปลกแปลกแต่ฟังบ่อยๆเขาเอคํานี้มันมีความหมายอะไรเจ้าค่ะอเน้นค่อยๆเรียนไปเจ้าค่ะก็ก็ก็ปรับสภาพในรูปแบบใหม่เจ้าค่ะ ผ่านความทุกมาเยอะแล้วตอนนี้อยู่อย่างแบบว่างเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าไปไม่ถูกเจ้าค่ะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยจ้าค่ะก็ไปตามตามปีตามคุยก็ตามไปคุยกันนานน่ไงแล้วก็ไปกับมันอย่างนั้นอย่าไม่ต้ออยู่แบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติทำใจกับไปกับธรรมชาติมีอะไรต้องทําก็ทําไม่มีอะไรไม่ให้ทําก็ไม่ต้องทํา ไม่มีอะไรทำก็มานั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติทำไปเจ้าค่ะแบบภาษาต่างภาษาเรารู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าหนูก็ใช้หลักธรรมะพากย์จานอยู่ไปค่ะเดี๋ยวก็ชินเจ้าค่ะอ่าขีดลีตามมีตามเกิดไงเจ้าค่ะอย่าไอยากอย่าไปอยากเล้ากันอย่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะใจยวุ่นใจเยือกเจ้าค่ะอยู่แบบสันโดดไปเลยค่ะไม่มีเพื่อนเลยค่ะ ก็คุมสติเอาเจ้าค่ะอ่ดีทาใจให้สงบแล้วเรามีความสุขในตัวเราเองจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนก็ไม่ไม่สําคัญเลยาไเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าไปพึ่งคนอื่นอย่าไปพึ่งคนอื่นมากเกินไปอย่าพึ่งตัวเราเองในเรื่องการหาความสุขนะเจ้าค่ะพอเราสามารถมีความสุขในตัวของเราเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ความสุขกับเราเจ้าค่ะ ใช้หลักธรรมพระอาจารย์สอนอยู่เสมอเจ้าคะา่ะโอเคขอบพระคุณเจ้าคะา่ะอ่เอาเจ้าอ่าคุณจุ๊าโกบคุณจุ๊บโกเบเป็นยังไหายหน้าให้ตาไปจะมาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูดูอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูดูทุกอาทิตย์เลยเจ้าคะา่ะอ่าอันนี้ปฏิบัติหรือว่ า, ขาเข้าพรรษาในช่วงนี้ปฏิบัติค่ะแต่วันก็แพ้หลุดลุ่ยไปเสองอาทิตย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ทำไมไมไม่หายไม่เลยเลย หายไปเลยค่ะยังยังไปร่วมส่วนนู่กับเขาอีกหรือเปล่าตอนนี้ตัดสินใจว่าจะไม่เข้าร่วมแล้วค่ะเพราะก็คือจะมาปฏิบัติเองค่ะพระอาจารย์อืมทำเอนก็ได้นะทำไมนต้องไปต้องไปร่วมกับเขาด้วยนะค่ะพระอาจารย์ก็อยากอยาะมีเพื่อนเน <laughs> อะพระจะสอนอย่าคุกคีกันนปฏิบัติอย่าคุกคีกันให้เปรกไม่เวกให้อยู่ตามลำพังนันดีกว่า ตอนนี้ก็คิดใหม่ทําใหม่ก็คือปฏิบัติเองสวดมนต์เองนั่งสมาธิเองเจ้าค่ะพอาจารย์อัตตาอัตโนนาเถนะอืมด้านในทีเองของตนทําได้ไหมทําได้เจ้าค่ะทำได้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์แ้วมัยืนดีมันก็หายไปเลยหลุดไปค่ะก็มีก็มีแบบที่ถ้าเราไม่เข้าไปกลุ่มเขาจะเหลือกันกี่คนหน้าอะไรอย่างี้ก็ก็มีคิดบ้างแต่ว่า เออเออไม่เข้าดีกว่าก็ก็มีค่ะพระอาจารย์ก็เป็นแบบซูงอย่างนี้หรือเปล่าหรือเป็นยังเป็นแบบเหมือนลน์นะคะพระอาจารย์อแต่ก็มีภาพเหมือนภาพแบบแบบนี้หรือเปล่าเห็นหน้าเห็นตากันไหมไม่ไม่เห็นค่ะพระอาจารย์ต้องแล้วก็ปิดเสียงของตัวเองแล้วก็จะมีเหมือนแอดมินคนหนึ่งเขาเปิดเปิดเหมือนแบบเทปของ y o u ูทูบที่ว่ามีการสวดแล้วก็เปิดเทปของพระอาจารย์ที่เขามีการเทศอะไรอย่างนี้ค่ะอืม แต่เราไม่จะไม่เห็นกันเหมือนในห้องสูงอย่างนี้ไม่เห็นกันค่ะอาจารย์แต่ก็จะรู้ว่าอ้าววันนี้คนนี้เข้ามาแล้วคนนี้เข้ามามีรายชื่ออยู่ค่ะเจ้าค่ะอาจารย์สามารถส่งข้อควมให้ให้ให้ต่อกันได้ไม่ไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เป็ในแต่เข้ามาแล้วก็ผ่านมันไปสวดตามที่เขา้าตามที่พูน้นว่าจัดการเนียถ้าสวยก็สวยไปเราก็สวยของเราไปเราได้ยินเสียงสวยของคนอื่นเขา้ามาา เราจะไม่ได้ยินเสียงสวดของคนอื่นคะ่ะจะเป็นเสียงสวดของเทปที่เขามาเปิดจ้ ะ, ะอ่านั่นสวดตามเทปไปงี้เลยคอาจารย์แต่หนูแต่จังหวะจังหวะสวดของหนูกับจังหวะสวดของเขาไม่เท่ากันบางทีหนูก็ปิดเสียงมาอาจารย์แล้วก็สวดของเราเอง อ, อ, อืมค่ะอืมทำไปทำมาก็สวดเองดีกว่านะสวดเองดีกว่าคะ่ะก็เลยทําไปทํามาก็แบบเออเราไปพะวงไปยึดเกินไป เราทำของเราเองดีกว่าอะไรเงี้การเริ่มต้นอาจจะต้องอาศัยกลุ่มเกาะกันไปก่อนเพราะเราลําพังเราถ้าเราไม่มีกําลังที่จะทําเองพอเราอาศัยกลุ่มแต่พอเราทําเองเป็นแล้วสู้ทํำของเราเองดีกว่าค่ะแต่เราต้องมีวินัยเราต้องมีการบังคับตัวเราเองมีมีอธิษฐานสัจจะอธิษฐานถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานแล้วก็โมโลเล อันนี้จะทําดีไม่ดีเนาะอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ทําดีกว่าอย่าง <Okay. S 1> มันต้องออต้องกําหนดเวลาแล้วถึงเวลาต้องทําทันทีไม่มีการต่อรองทั้งสิ้นยกเว้นเหตุสุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรทําไม่ได้อการปฏิบัติธรรมันต้องเด่นเดียวแต่ <Thank you. S 1> มันโรเลมไปไม่ถึงไหนน้องแพ้ ชักตรงขาวในที่สุดแต่ถ้ามีความเดินเดียวแน่่ต่อความตั้งใจแล้วมันก็จะทะลุไปได้ต้องกล้าหาญต้องไม่กลัวความทุกข์ยากลาบากทิ่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นชูรสของการปฏิบัติถ้าไม่ทุกข์แล้วมันไม่สนุกถ้าทุกข์แล้วมันมั น, ม, นมันจะได้ มันจะได้ต่อสู้มันจะได้เจริญสติมากขึ้นเจริญปัญญามากขึ้นอทำไม่ทุกข์บางทีเราก็ต้องสร้างทุกข์ขึ้นมาเช่นไม่กินข้าวบ้างอะไรไม่นอนบ้าง mm hmm. แล้วแต่ถ้าไหนทุกข์จะเด็กกับเรยเดินเดิ น, เ ด, นเดินนานๆสองสามชั่วโมงนั่งนานๆสองสามชั่วโมงอ <Okay. S 1> สร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วจะได้ใจจะได้ หาวิธีสู้กับมันอยู่กับมันให้ได้ถ้ามันสบายสบายมันก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมอืมมันก็ไม่ก้าหน้ า, าการก้าวหน้าก็ต้องเพิ่มอ่าความทุกข์ยากลำบาให้มีมากขึ้นเพื่อเราจะได้ใช้มันเป็นตัวกระตุ้นความเพียรของเรากระตุ้นธรรมะของเราให้เกิดขึ้นมา อย่าไปปฏิบัติแบบสบายสบายพอแล้วค่นี้อาแค่นี้ก่อนมันก็อยอยู่ตรงนั้นอนะ่ะอีกสิบปีมันก็เหมือนเดิมแต่จะก้าวหน้ามันต้องมีการเพิ่มบททุกญาติบทสาธิตให้มันน้ยมากขึ้นหน่อยแต่อย่าไปเอามีมาเฉือนแขนเฉือนอะไรนะไปถึง <c oughs> ทางละมานใจด้วยวิธี บังคับมันเช่นให้มันนั่งมนานานให้มันเดินดานานๆเจา้าค่ะกินน้อยๆดื่มน้อยๆอะไรอี้หนจะลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูจะค่ะพระอาจารย์ลา่าสุดเคยทำวันนั้นฟุ้งสั้นไปหน่อยก็เลยเดินจงกรมตั้งแต่ตีสามยันเช้าหกโมงเจ้าค่ะพอาจารย์เ อ, อดยเดินได้สบายเดินได้สบายคือมันฟุ้งแล้วมาสังเกตเห็นตัวเองว่าเราจะเห็น จะเริ่มเแบบเห็นลมตัวเองอะเริ่มเริ่มเห็นลมเริ่มเห็นลมตัวเองเข้าเข้าออกอะ่ะตอนชั่วโมงที่สองค่ะลายรันเดินไปสองชั่วโมงนี่คือฟุ้งตลอดเลยแต่พอเริ่ ม, มชั่วโมงที่สองจะเข้าสารชั่วโมงเนี่ยเออ ม, มันเริ่มเห็นลมตัวเองแล้วสติเริ่มดีขึ้นสเตสเตอเริม่มมีความฟุ้งน้อยลง <c oughs> <G ül> ก็เป็นครั้งนั้นครั้งเดียวคะ่ะที่ที่จะทาแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง แต่กว่าแต่สงบได้นี่มันก็ใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงไงกว่าจะที่จะแบบเห็นเห็นลมเข้าล ม, อ, มออกถือว่าบุญนะสองชั่วโมงบางคนอาจต้องสามสี่ชั่วโมงกว่าจะกว่าจะเข้าล็อกก็ได้อเมนะคะแต่ว่าทําแค่วันนั้นวันเดียวนะจ้าค่ะพระอาจารย์พอแล้วมั <c oughs> นน้อยมันน้อยน่าเกินนะ <c oughs> ในการปฏิบัติเดี๋ยวเหลืออีกเจ็ดวันจะออกพรรษาเดืยนหนูจะตั้งใจเพียรใหมค่ค่ะพระอาจารย์รอวันที่มีวันหยุดอะค่ะพระอาจารย์ถ้าวันไหน วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานนี่ก็คือทำไม่ได้ค่ะโอเค<ท>ก็ทำแล้วที่โอกาสจะให้เราก็แล้ว ก, กันนะโอเคมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีคำถามเจ้ า, า, าค่ะพาะอาจารย์ขอบคุณคำสอนของพอาจารย์นะคะหนูจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะอ่าไปที่เสียงให้เฉินเฉินเฉินเฉินแปลว่าอะไรภาษาจีนอ่า การมนมุษยการหลวงพ่อนะคะเจนๆแปลว่ า, าจนชื่อชื่อยิงเจนนะคะแปลว่าจะสรูความจริงนะคะรจริ ง, รงชาไม่รู้อ่ะหลวพ่อตั้งตั้งชื่อไวอ้อ่ะคือตั้งชื่อไว้ตอนแรกก็ไม่เข้าใจอะ่ะชื่อเป็นความหมายอะไรก็แปลว่าเ อ, อสมัยก่อนก็ก็น่าจะคิดว่าเป็นเ อ, อเป็นคนจริงจังอย่างนี้แหละคะ่ะ แต่ว่าอพอเห็นเริ่มจากสื่อสัารธรามและค่ะแล้วก็ค้นหาความหมายข่มชื่อตั้งชื่อไว้เป็นความหมายอะไรคะแล้วก็คุณหาว่าโอ้ตัสรุปความจริงไงก็เป็นผ<ค>นทั้งเป็นบุได้ เ, ดเลยเป็นพระพุทธเจ้าเลยตัสรุปความจริงคือคือคือไม่รู้อ่ะน่าจะคุณพ่ออย่าอย่าตั้งไว้ให้ว่าอะไร เลือกขนทางนี้ดีที่สุดละเป็นทางเดียวที่พ้นทุกได้ค่ะเออดีเป็นมงคลนี่ถึงว่าเป็นชื่อชื่อเป็นมงคลดีใช่ใช่ก็ก็เจอคือพระที่เมือนจริงอ่ะเขาคือบอกว่าเอ๊ชื่อนี้นะคะชื่อชื่อเป็นเป็นธรรมละค่ะอย่างนี้ค่ะเป็นภาษากลางใช่เป็นแมนดารินใช่ไหมใช่ค่ะเป็นภาษาแมนดารินค่ะอืมอืม โอเควันนี้มีอะไระรายงานหรือจะถามไหมวัวันนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่าเาวลาเดินจงกรมนะไปในชีวิตประจำวนันแล้วก็ไปเติมเติมไปด้วยมีสติแล้วก็กับทุบผู้ทอเอ่อมันต่างกันยังไงกับเดินจงกรมนะคะเติมไปตลาดเหมือน ก, กันหรอเหมือนกันเือ น, น แ, ตแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนมาไหนเราก็เดินจงกรมแทนเนี่ย แต่ถ้าเราไปไหนมาไหนล้วก็แล้วก็เดินจงกลมไปไหนมาไหนไปในตัวใช้สติเหมือนกันใช้สติตัวเดียวกันอ๋อถ้าเดินไปตลาดเหมือนเดินจงกลมได้ไหมคะ้านั่นแหละก็เหมือนเวลาพาไปบินลบากก็เหมือนเดินจงกลมเช่น<อ>แล้วก็ต้องมีสติแต่ต้องมีสติอยู่กั บ, กบที่เราไปเนะหมายถึงเราต้องดูด ดูทางด้วยไม่ใช่เดินจงกรมไปแล้วเดินชนวันนั้นเดินชนวันนี้ไม่ได้นะก็ไม่ตัแต่แต่ว่าหลวงพ่อเดินจงกรมมันมันมีระยะเวลาทางอ่ะมีจุดต้นหรือว่าถึงจุดปทางไงค่ะแต่ว่าไม่ก็ต่างกันแค่ตรงนั้นแต่ทางใจมันเหมือนกันทางใจก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันโอ้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อเดินไปเดินไหนเดินที่ไหนก็ไปเดินจงกรม ดเดินดในบ้านก็เดินจงกลมเนี่ยเดินนั่งเดินเข้าห้องน้ำก็เดินจงกลมเดินไปลงครัวไปทํากับข้าก็ก็เดินจงกลมไปทําไปอ๋อแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นทํารูปแบบใช่ไหมัมนก็เป็นการเืริันสติการยืนยันสติทุกใน<ะ>ทุกเ<ะ>รียบทในทุกการกระทําอืมค่ะเข้าใจลาัคพาหลงพอให้มีให้มีสติอยู่งานที่เราลองทํา กำลังล้างหน้าก็อยู่ก so so ับการล้างหน้ากำลังแปรงฟันก so so so ็อยู่กับการแปรงฟันอืกำลังแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งตัวกำลังกินข้าวกอยู่กับการกินข้าวอย่าให้ไปที่อื่นเหมือนเด่นจงกรมเดินงกรมก็อยู่กับการเดินไปเดินมาอืมเดี๋ยหลวงพ่อก็ถามว่าถ้าถ้าอย่ากอย่าทบสอบสติตีหรือไม่อ่ะเอ ใจหนีไปกี่ครั้งก็ระดับไปหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ได้ไหมคะไม่ต้องไปทดสอบวิธีทดสอบคือเวลานั่งสมาธิมันสงบหรือไม่สงบนะอ่ะยังไม่สงบวาสนาอวสติรมันยังไม่พอยังไม่น้อยอ่ถ้าถ้าถ้าใจมนหนีไปหนึ่งครั้งแล้วก็นับหนึ่งไม่ต้องไปนับให้เสียเวลายิ่งนับก็ยิ่งคิดใหญนะ่ไม่ต้องการให้คิดอะไรอ๋อค่ะ อ๋อ oh, อย่างนี้ไม่ต้องนับระคะ <laughs> ไม่นับนั้นมันับคิดอะไรออืให้หยุดความคิดเนี่ยการเดินการจเจริญสติเพื่อหยุดความคิดไม่ให้คิดมากอืมเข้าใจแล้วค่ะให้รู้เฉยเฉยให้รู้เรากำลัลงทําอะไรเอามาคิดนูัน่นคิดแล้วนี้มันมันก็กลายเป็นความคิดไปมันก็จะทําให้ใจจิตนิ่งยากขึ้นไปอีกเราไปคิดทําไม่ต้องการคิดอะไรเลยให้รู้เฉยเฉย เข้าใจละค่ะหลวงพ่อเดินที่แล้วทำทาครบเก้าสชั่วโมงละค่ะอืาแล้วเป็นยังไงดีขึ้นไหมจิตใจจิตใจก็ก็ยังเย็นเย็นลงไหมได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะยังร้อนอยู่เลยยังน้อยอยู่ใช่ไหมอ่ะหลวงพ่ออ่าแล้วปฏิบัติไปให้มากมากโอ้มากๆหรอคะอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นมากอยู่ละค่ะพอดี ยังไม่ไม่บังคับตัวเองว่ามากเกินไปหรือเปล่าคะถ้าจิตยังไม่สงบสแสดงว่ายัางน้อยไปอือก็สงบบ้างคะ่ะบางบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งก็เราสงบทุกวันเลยสงบไปทุกวันหรือคะ่ะเออยังยังไม่ได้เลย <laughs> เขาเราทํำให้มากขึ้น่ลืมตาขึ้นมาเริ่มมีสติตั้งสติก่อนเลยถ้าอารมณ์ไม่กระทบมันเยอะๆอ่ะมันสงบได้แต่แต่ถ้า อ่ารมณ์มึงเยอะๆอะถ้ามีสติถ้ามีสติอารมณ์มากระทบก็ไม่เป็นไรใจ ก, ก็จะเฉยได้ที่ไม่กระทบเพราะไม่มีสติมันพอโดนกระทบมันก็เลยเสียหลักไปเลยอืมเข้าใจแล้วก็ต้งแตถ้ามีสติมันก็จะเฉยอารมณ์กายด่ากายพูดอะไรก็เฉยมีสติ อ, อยู่อืมก็อย่างนี้เฉยไม่ได้ล่คะค่ะเฉยไม่ได้สติแตกมัคนอื่นตาเราเราก็จะผูกขึ้นมาโกลอเลยอ่ะ นก็สติหายไปแล้วใช่ใช่จังก็ถ้าเวลานั่งก็สติน่าจะรู้ตัวอยู่แต่ว่ามันมันอยู่ข้างนอกอ่ะเดินทางอย่างนี้อ่ะเจอก็แต่ว่าเดินโยกกลมไปอยู่ข้างนอกก็เดินโยกกลมไปวุ่โถไปเพราะถ้าไม่คุยกันไม่เป็นไรล้วคุยเยอะๆนะมันจะฟุ้งก็อย่าไปคุยเลยอย่าไปคุยใครก็เจอเขาอย่างมากก็ทัดเขาให้โู้แล้วก็จบแล้วพอนะ แต่เพื่อนๆอ ย, อย่าให้เราคุยกันนะก้าเราเงียบไปเลยเขาก็าไม่พอ<า>ใจนะัเรื่องของเขาไปเราไปเราไปเราไปเอาใจเขาทำไมเราไปเอาใจเขาแล้วเราขาดทุนมันจะได้ดี เ, เราต้องเอากําไรสิเราอย่าไปเอาใจเขาตามใจเขาแต่เพื่อนๆเองเห็นว่าเราเราคงเป็นคมแปลกไหมคะก็แปลกที่เราไม่เหมือนเขาไงเราปฏิบัติทำจะไม่เหมือนเขาได้ยังไง เัาเจริญสติก็ไม่เหมือนใครแล้วล่ะคนที่เจริญสติเขาไม่มีสติแล้วมีสติยังไงจะดีกว่ากันล่ะใช่วันนั้นก็เพื่อนอยากคุยกับเราแล้วก็เงียบไปทําไมคนนี้คนแปลกมากเลยมันเงียบไปลาเรือไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็เป็นคุยมากกระพื่อชือกเพื่อชือมากแลค่ะหลงของพ่อก็เขาบอกอย่าไปเจอเขาพยายามอย่าไปเจอเขาเลยถ้าเจอเขาก็ต้องพูดกับเขาบ้างเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้า ใช่ใช่เขาคิดว่าเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะคุณว่ามันจะเงียบไปหน่อยแต่ถ้ามันจำเป็นก็อย่าไปเจอเขาดีกว่าไม่เจอหรอกก็เป็นเพื่อนเก่าๆมันนานก็ไม่เป็ไรเนี่เดี๋ยวก็ต้องตายจากกันแล้วโอต้องตายจากกันแล้วอ่ามันได้อยู่ไปด้วยกันตลอดแล้วอืมใช่มใช่ใช่เป็นความจริงเนาะความจริงหลวงพ่อนี่ใช่ปัญญาแล้วปัญญานิจังแต่ว่าเป็นเพื่อนเพื่อน สมัยก่อนก็เป็นเพื่อนสนิทกันอย่าว่าจะเพื่อนเลยพ่อกับแม่พ่อแม่ดูก็ต้องตายจากกันอยู่ดีโอ้ใช่ทุกคนต้องพัดท่าจากกันเรามีการพัดท่าจากกันเป็นธรรมดาลโลกพ้นาการพัดท่าจากกันไปไม่ได้เนี่ยให้ท่องไว้เนี่ยไปท่องละค่ะอะท่องแล้วแตลืมพอเจอเพื่อนแล้วไม่ไม่อยากจะจากกันละก็ก็เป็นใจโอนนะสมัยก่อนก็เป็นใจอ่อนเพราะม่าเจอ เจอคนนี้ทุกเจอคนนี้แกจะช่วยนะคะ่ะช่วยได้ก็ช่วยแต่แต่ถึงเวลาจะก็ช่วยไม่ได้เวลาเขาจะไปก็ก็เราปล่ให้เขาไ ป, ไปใช่ก็ก็มีบางครั้งนะเพื่อนๆอาจจะชวนกันไปเที่ยวหรือว่าไปกินเข้ากันเนาะแล้วก็จะปฏิเสธไม่ค่อยได้เนาะมันจะมันเราจะอไ เ, เราจะเอาเพื่อนอเราจะเอาสติ เอาสติค่ะแต่ว่าน้อง่ก็ป่ายังปฏิเสธไม่ค่อยได้ละหลวงพ่ออดูพราพุทธเจ้าท่านทิ้งเพื่อนทิ้งลูกทิ้งสมบัติไปหมดนะถ้าไปหาสติอย่างเดียวใช่ใช่เราจะเลือกใคเราจะเลือกใครแล้วเราจะทําตามใครดีตรงนี้ก็เพื่อไม่เหลือกี่คนราคาหลวงพ่อสมัยก่อนให้เหลือศูนย์เลยจะจะได้สบายไม่ต้องไปทำงานอยู่เขาศูงล์รคะอยู่คนเดียวเนี่ยค ยังมี 1, 3, 4, นหนึ่งสามสี่ค่าคนน้าในเดินทางพระพุทธเจ้าบอกว่าทางธรรมคนที่เขาฉลาดกับเราเก่งกับเราทางธรรมไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอืมไม่ขาดทุนถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่ฉลาดทางธรรมกว่าเรายากกว่าเราแล้วก็ขาดทุนนะเขาจะเดินของ เ, เราต่าก็จะยังมีเพื่อนไม่กี่คนมันจะเดินทางอยู่ในธรรมด้วยกันหรอคะใช่ไหม เนี่ยทางธรรมนี่นั่งเดินคนเดียวไม่เด้กับใครนะเรามีกาลยานิมิตช่วยช่วยกันหรอคะถ้าเขาช่วยเราได้ก็ดีแต่เขาไม่ช่วยเราเดี๋เขาจะเดินเราลงไปหากิเลสมากกว่า <c oughs> ก็ต้อง พ, <ว>พระพระุทธเจ้าถึงบอกให้เลือกคนไงให้ครบคนเจลาดคนที่เป็นบัณฑิตครบกับคนงอ่อคนที่เป็นคนที่มีโมหะความหลงคนงออ้อคือความหลง พข้าใจราคาหลวงพ่อไม่มีเพื่อนต้องรู้จักเลือกคนเลือกต้องเลือกบัณฑิตเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าเลือกพระอริยสงฆ์เป็นเพื่อนอือย่าไปเลือกคนที่ชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มเป็นเพื่อนออืเขาจะชวนเรากินไปดื่มใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะคะใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องเข้าต่ราคาหลวงพ่อจะพยายามนะดเลือกเพื่อนคนดีๆเพื่อนฟังธรรมนะคะหลวงพัอ ขอพรบคุณหลวงพ่อนะคะที่สด น, นะคะขอเคุค่สาธุ อ, าธอ่าคุณสาธกาต่อชายหน้าตอนนี้หน้าเป็นยังไงบ้างล้นหรือยังอ่าที่ใส่หน้าไม่ไม่ล้นค่ะไม่ล้นน ะ, ะค่ะยังรับไหวอยู่นะรับไหวค่ะอ่าไม่มีอะไรค่ะฟังคำค่ะโอเ ค, อ เ, คเต็มเรือไว้นเบอร์เบอร์เต้ายพเรือ <laughs> <Okay. S 2> โอเคอ่าไปด้วยคุณแอนต่อแอนตอนนี้อยู่ที่ไหนหลับนมาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้อยู่โดฮาค่ะโดฮาตอนนอกกางใกล้ๆดูบ้านะอ่ากาต า, า, า, ตาค่ะกาตาค่ะก็ไม่ไกลอันเนี้ยเมืองพวกนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันเนี้ยใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าหนูมาจากญี่ปุ่นก็ก็ไกลมากค่ะพหลวงพ่อบินมาสิบเอ็ดชั่วโมงเจ้าค่ะอืมแต่จากบ้านเราไปมานี่ก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะไม่หมายถึงระหว่างดูใบกับโดฮาเนี่มันใช้เวลาบินไกลไหมหนูน่าจะไม่ไกลค่ะใกล้ๆกันแต่หนูไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงน่าจะไม่ถึงสองชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะค่ะแล้วไปอย่งไรอยู่ตอนออกกลางมีแต่มีแต่ทะเลทรายรู้สึกแปลกไหม มีทะเลทรายค่ะแล้วก็มีแต่ตึกเนี่ยค่ะด้านหลังก็เป็นตึกแล้วก็มันเป็นเมืองเล็กๆ ก, กันค่ะประเทศนี้<ม>ก็ไม่มีอะไรให้ทําค่ะ<ม>อากาศร้อนมากเจ้าค่ะอยู่<ม>แต่ข้างในตึกค่ะตัวโดฮานี่เป็นเหมือนกับเมืองหลวงของกาตาร์ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ<ม><ม>แต่เมืองเขาสวยสะอาดค่ะแล้วก็อสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ผู้คนก็เขามีเหมือนกับเขา อ่าจะจะเคร่งศาสนาค่ะก็ก็เลยจะมีความมีความปลอดภัยสูงค่ะเดินไปไหนก็สบายค่ะแต่ต้องคุมสีสันนผู้หญิงใช่ค่ะแต่อย่างถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นคนต่างชาติเขาอย่างพวกหนูนี่เขาก็ไม่ที่นี่เขาก็จะไม่ไม่ไม่ว่าะไม่บังคับก็แต่งตัวก็เราก็แค่เรียบร้อยหน่อยใส่กางเกงขายาวเสื้อเสื้อรัดไม่รัดรูปใช่ค่ะค่ะ ถ้าไปเที่ยวทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างถ้าเข้าไปตามสถานที่ราชการหรืออย่างพวกอ่าพิพิธภัณพวกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีข้อบังคับอาจจะต้องคุมหน้าคุมตาแล้วก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดอะค่ะอืมค่ะตามกฎระเบีเยบตามวัฒนธรรมใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้วคะ่ะมามาสองคืนกลับตัวเกลียวเหมืนเดิมใช่ค่ะเข้าตัวเกลียวก่อน แล้วค่อยกลับบ้านค่ะสิบเอดชั่วโมงแล้วบินกลับมาอีกสี่ชั่วโมงอ่าได้หยุดญี่ปุ่นก่อนสองคืนค่ะแล้วก็ค่อยบินกลับบ้านตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงค่ะค่ะคือว่าจะบินไปบินมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็บินบินมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะอีกอีกสามปีครบยี่สิบห้าปีพอแล้วค่ะหลวงพ่อนี่มานี่ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะ มาหลายรอบแล้วก็แค่ออกไปซื้อของกินแล้วก็กลับมากลับมาที่ห้องออใช่ค่ะ น, นั่งสมาธินี่ใช่ค่ะนี่มามาที่นี่หนูก็หนูชอบนะคะเวลามาพักแบบยาวๆอย่าเงี้ยจะได้นั่งมีมีเวลาพักผ่อนเยอะนี่หนูก็ได้นั่งสมาธิทั้งสองวันเลยวันละชั่วโมงค่ะก็พยายามยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อพยายามฝึกแล้วก็ดูดูจริตตัวเองว่า ทำยังไงแล้วมันจะดีอะค่ะอแล้วปรับไปปรับไปตามอารมณ์บางทีอารมณ์เราสงบบอารมณ์ก็วุ่นวายาใช้วิธีต่างกันค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มมาหัดใช้วิธีหยุดคิดที่ที่เคยบอกหลวงพ่อค่ะพยายามทำมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าหยุดคิดพยายามหยุดคิดมันช่วยได้เยอะเลยค่ะมันรู้สึกดีมันมันแบบเหมือนมันปล่อยปล่อยอ ให้มันเงียบสงบได้ไวขึ้นนะคะแบบไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะคะ่ะพอพอมองอะไรเห็นอะไรแล้วพอเริ่มคิดแล้วก็๊หยุดพอมานั่ง <ใจ S 2> สมาธิาให้รู้เฉยๆดีกว่าใช่ค่ะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไปมไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทําได้ทุกครั้งนะคะหลวงพ่อแ ต, แต่ในเวลาทํางานอาจจะใช้เวลาช้าหน่อยแต่ว่าถ้านั่งอยู่เฉยหรือเริ่มคิดอะไรเงี้ยก็แบบ๊หยุดไม่คิดมันก็มัน ก, นก็รู้สึกว่าใจมันว่างได้เร็วขึ้นเวลาเรามีสติมากขึ้น ดีดีขึ้นแสดงว่าเรามีแสดงว่าเรามีสติมากพอสมควรค่ะะตอนแรกก็ก็ฝึกจากพุทโธใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วก็ยังใช้พุทโธอยู่บ้างแต่ว่าพยายามลองลองใช้วิธีที่แบบหยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมันโล่งดีค่ะหลวงพ่อพอมานั่งสมาธิก็ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าสบายมันมันเบามันไม่ได้เอาเอาไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เอา ความคิดไปยึดกัะอะไรไว้อะคะอ่ะกับพุโทโธแล้วก็ไม่เอาไปยึดไวใ้ให้เพราะบางทีรู้สึกอย่างที่บอกหลวงพ่อพอบางทีใช้พุโทโธก็จริงแต่ว<ง>่าต้อใช้ความคิดเหมือนกันใช่ค่ะมันกลายเป็นเหมือนยิ่งคิดเยอะแต่พ อ, อ, อหยุดหยุดแบบยึดอย่างเงี้ยบอกตัวเองหยุดมันก็หยุดหยุดหยุดแล้วรู้สึกมันว่างได้ได้ได้เร็วขึ้นค่ะหลวงพ่ อ, อ, อได้นานไหมไดเอ่อหนูก็ไม่ยังไม่ได้พัฒนาไปมากหลวงพ่าแต่รู้สึเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอะค่ะพอใช้วิธีนี้ มันมีมันมีสภาวะที่ที่มันมันดิ่งแบบคือมันไม่ได้ดิ่งแบบสงบนะคะหนูรู้ตัวว่ามันยังไม่ได้สงบแบบอย่างขั้นนั้นแต่ว่ามันสามารถอยู่กับตัวเองมันเฉยเฉยมันเงียบมันลอยแบบได้ยินเสียงรอบข้างอยู่แต่ว่าเราสามารถไม่สนใจไม่สนใจได้ไม่ตอบตต้ใช่ค่ะมันมันมีความรู้สึกว่ามันจะดิ่งมันมันก็ไม่เข้าแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันเป็นสภาวะ ที่ไ ม, ไม่อยากค่ะว่างเฉยได้ง่ายได้ได้เยอะขึ้นค่ะหลวงพ่ อ, อไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่จะต้องเข้าไปตรงนั้นมันไปจดจ่อกับความรู้สึกที่อยากจะหยุดคิดมากกว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันมันมั น, ม, นมันว่า ง, ม, างมันว่างได้ได้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบคือประจุไปเรื่อยๆค่ะ นูก็แอบแบบว่าก็หวังว่าถ้าทํำนี้ไปได้เรื่อยๆมันอาจจะถึงถึงถึงตอนที่สามารถดิ่งเข้าไปได้โดยที่ที่แบบเข้าไปแล้วไม่ไม่แบบมันเหมือนยังเพราะว่าอืมไม่หนูไม่รู้จะเรียกไงมันเหมือนกับว่าจะเข้าก็ไม่เข้ามันก็อยุดนะแล้วอย่าไปจดจ่อมันถ้าไม่จดจ่อมันจะไม่เข้าะค่ะแต่ว่ามันเป็นความสุขเฉยๆไม่คิดเฉยๆไปพอถึงเวลามันจะลงไปมันก็จะลงไปเองค่ะ แต่มันข้อดีของมันคือมันไม่ได้แบบมีความอยากว่าแบบอุ้ยทำไมไม่เข้าสักทีมันก็เออไม่เข้าก็ออกมันอยู่ตรงหยุดหยุดคิดเหมือนเดิมให้มันหยุดคิดก็พออยากแค่ะจิตไม่ต้องอยากความคิดถ้ามันยังไปไหนก็เดี๋ยวค่อรู้กันหวังว่ามันจะมันจะได้เข้าไปถึงความสงบสักทีแต่ก็แต่ก็ตอนนี้ได้แค่นี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกอยางไม่เผื่อคิดก็แล้วกันพอหยุดคิดแล้วมันอยากไม่เผื่อคิดก็แล้วกัน บางทีมันหยุดคิดแล้วแต่มันเรื่งๆมันก็ตับไปเผ้อคิดขึ้นมาได้วยใช่ค่ะพอตอนมันเริ่มจะแบบดิงๆรู้สึกแบบอืจะได้ไม่น่าก็แอบมันก็ออกมาอีกเริ่มคิดแล้วค่ะเริ่มเริ่มแอบอยากนิดนึงแต่แต่ว่าความการหยุดคิดนี่หนูว่ามันมันช่วยมันช่วยในการใช้ชีวิตได้เยอะเลยค่ะหลวงพ่อแปลว่าดึงตัวเองออกมาแบบเออไม่คิด หยุดแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนไปทําอะไรที่ยอมยอมเย็นยอมหยุดเย็นค่ะค่ะคือเหมือนกับเดี๋ยวนี้ไม่ต่อสู้ไม่ต่อสู้กัใครค่ะเดี๋ยวนี้ยังแอบมีบ่นมีมีพูดเหมือนบ่นอะไรเลือดเปื่อยนะคะหลวงพ่อแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีความรู้สึกแบบโมโหขึ้นขึ้นหัวต้อเอาแผลชนะกันใค่ะมันไม่มีถึงขั้นนั้นแหละมันกมันมันยังมันยังมีความแบบว่าอยากจะบ่นอยากจะเถียงแต่ว่ามันก็แค่เถียงเหมือนกับ เหมือนอยากจะแค่พูดอะค่ะแต่ไม่ได้ว่าเราอยากเอาชนะเขาหรือเร า, เราอยากาจะรองยอมดีกว่าเราไปร้องยอมดีกว่ า, อ, วาอีกหน่อว่ า, วาเราเค ย, ยอมเลยยอมแล้วยดุวยยดยคิดยอมแล้วยุดคิดแล้วก็ใจก็จะเย็นสบายแต่ก็ยังแอบแบบถ้าไปเจอบางเรื่องที่มันเราไม่ถูกจริตไม่ถูกใจจริงๆก็ยังแอบมีอารมณ์แบบยังเอาเอาเอาเรื่องกับยังขุนมัวอยังขุนมัวเยอะอยู่แต่ก็แต่ว่าน้อยลงเยอะค่ะหลวงพ่ก็แอบดีใจ ที่ได้มาเดินทางทางนี้ได้ค่อยๆฝึกพัฒนาตัวเองงานจำเป็นที่สุดก็งานฝุกจิตนี่แหละถ้าฝึกิตได้แล้วสบายไม่ต้องรบฝึกอะไรต่อไปนี่ก็พยายามที่ที่บอกหลวงพ่อค่ะพยายามฝึกหาจริตที่ที่มันถูกกับตัวเองแล้วก็วิธีที่ว่าคิดว่ามันจะได้ผลที่สุดก็ตอนนี้หยุดใช้วิธีหยุดคิดเนี่ยค่ะอืมดรู้สึกว่าดีต่อไปทำต่อไป ค่ะจะพยายามต่อไปจะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากด้ยต้องใจเยน็นเมันต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ปรับปปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่จะปรับเดียวเข้าใจแล้วได้ผลทันทีนี่ก็ก็นั่งประมาณวันละชั่วโมงค่ะหลวงพ่อนั่งได้แบบนั่งได้แบบว่าไม่ได้มีปัญหากับสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะปกทุกวันนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็ ไม่มันยังไม่ได้ได้หลักๆคือหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะแล้วมันก็จะออกมาค่ะเหมือนกับว่ามันมันได้สุดแค่ตรงนั้นพอเริ่มเลยชั่วโมงรู้สึกจะเริ่มแบบ เ, เติหมดกำลังเตะหมดกำลังต้องฝึกเตะให้บ่อยๆเวลาที่เราไม่ได้นั่งด้วยหยุดพยายามหยุดคิดไปทั้งวนันเลยไม่ใช่เรเฉพาะเวลาที่เรานั่อค่ะยางหยุดคิดกําลังจะคิดอะ้รให้หยุดอย่าคิดดีกว่ากำลังจะคิดอลไรไม่คิดดีกว่า ทั้งวันเลยแล้วแต่ลืมตาขึ้นมาโหจะคิดแล้วอย่าคิดอย่าคิดหยุค ด, ย ค, ดยคิดไปได้จไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งอนู่เดียวค่ะ<า>ถ้ายิงา<ะ>่งทำอย่างได้มากเท่าไหร่เวลามานั่งมันยิ่งจะนั่งได้นานขึ้นได้สมงบได้มากขึ้นค่ะจะพยายามขออวุญาตยังแอบยังแอบพอเวลาไปเจอผู้คนแล้วยังแอบชอบพูดเยอะอยู่ยังเผลอเปลอคุยเผลออะไรเยอะแล้วก็แบบว่าฟุ้งซ่านไปนะคะต้องพยายามหยุด หยุ ด, ยดปากตัวเองด้วย <laughs> หยุดคิดหยุดพู ด, ห ย, ดหยุดเข้าหาคนถ้ามันจะเป็นก็พยายามอยู่คนเดียวให้มากที่สุดถ้าดีมากได้ค่ะหลุพ่อจ้าหนูมีคำถามพอหนุ่พ่อพูดอันนี้ขึ้นมาหนูมีคือเวลาหนูมาวัดใช่ไหมคะบางทีเพื่อนๆหรือพี่ญาติๆเนี่ยคะ่ะ <laughs> เขาบอกว่าถ้าไปช่วยบอกด้วยนะจะไปด้วยอ่างเงี้ยแต่หนูเป็นคนเหมือนชอบไปไหนคนเดียวคะ่ะพอพอเวลามีคนพูดอย่างเงี้ยหนูก็จะคิดในใจะ ไม่อยากชวนอ่ะไม่ชวนได้ไหมอะไรเงี้ยเราเห็นกขาบอกก็ไม่หรอก็เรื่องส่วนตัวของเราเป็นกิจที่เราต้องทําคนเดียว่มีคนเขาบอกว่าถ้าเรายังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เขาเหมือนว่าเราไม่มีเมตตาเรายังแบบเลือกออไม่หรอกเราเลือเมตามันเมตตาต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่เมตตาแบบสะบัดหันแรกลดแรกจากแถมไม่ใช่อเงี้ยเมตากับคนที่ที่เรา ต้องมีเมตตาด้วยบางคนที่เราไม่มีเมตตาเราก็อุเบกขาแล้วก็เฉยเฉยไปค่ะคือบางทีหนูแอบรู้สึกผิดว่าเอ้เราเห็นแก่ตัว ม, ม, มวเราเราก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนนที่เราไปนี่เพื่อไปรักษาใจเราถ้าคนอื่นไปด้วยมันจะรบกวนการาการักษาเราแล้วก็ไม่เอาไปาทำได้เหตุได้ผลไม่ได้ด้วยความไม่มีเมตตาเมตตาเราก็มีเมตตาแล้วก็มีเนี่ยซื้อของมาถวายพระนี่ก็มีเมตตา แต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าไปแล้วหนูไปกับคนอื่นหนูเป็นคนขี้เก e i ใจหนูจะต้องคุยต้องดูแลต้องอะไรหนูเลยเพราะจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์งั้นก็อย่ามาวัานดีกว่าไปไปศชลการค้าไปนั่งกินขนมกาแฟกันดีกว่าค่ะค่ะหนูจะได้ไม่ต้องอ่ะเหมือนกับเราไปลงพยาบาลรักษาตัวเองเราต้องบอกคนเอาคนอื่นไปด้วยเปล่าะใช่ไหมค่ะ มาวัดก็เหมือนกับมาโรงพยาบาลดีๆวัดก็เป็นโรงพยาบาลบาของจิตใจค่ะมารักษาจิตใจของเราเจ้าค่ะหนูจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดว่าชอบแบบเราอยากจะไปคนเดียวเหมือนเราหนีคนอื่นเข้าไปแล้วเราแบบทิ้งเขาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยทางหน้าที่เขาก็อยากจะให้เราชวนนะแต่เราก็ไม่เคยชวนเขา้าไปของเขายิงได้ถ้ามันต้องมาให้เราชวนเข้าไปด้วยเธอก็มีขาแล้วก็มีอะไรของเธอถ้ามันต้องมาไลน์เราชวนเราไปด้วย หนูก็ว่าอยู่ก็ปกติก็ไปอยู่แล้วทำไมจะต้องให้หนูชวนอะไรเงี้ยหนูก็แต่แต่พอเาพูดขึ้นมาา้แบบนี้มันไม่ใช่ถ้าแบบนี้มันไม่ได้ไปปฏิบัติทั้งทั้งคมกันได้ค่ะหลวงก็หนูจะได้ไม่ต้องรู้สึกรู้สึกแย่ว่าเออเรามันหนีโดยเห็นกับตัวเราไปเราไปวัดคนเดียวอะไรเงี้ยไดอเป็นการพุ่งตนเองไม่พึ่งใคร่ได้เจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่ อ, อค่ะมารอบนี้มากาตามาช็อกโกแลตเยอะเลยค่ะได้ซื้ อ, อกลับไปถวาย <laughs> <laughs> รายแล้วเนี่ยพยายามหนูเพราะตั้งแต่แตั้งแต่ได้มามาเจอหลวงพ่อค่ะหนูก็ไปหนูก็ได้รู้เรื่องช็อกโกแลตหนูก็เวลาไปไหนเดี๋ยวนี้หาพยายาม่ะ <laughs> <laughs> เจ้าค่ะช็อกโกแลตไปถวายตลอดเลยอันไหนที่แบบไม่ถึง 70% ็ดิเปอร์ซนเนี่ยหนูหาอุ๊ยห้าสิบปอร์เซ็ต้องรีบซื้อเพราะว่ามันหามันเมืองไทยไม่ค่อยมีหนูก็แบบนี่ก็ได้หกสิบเปอร์เซ็นไปเจ้าค่ะไม่ถึงเจ็ดสิบกะว่าเอาไปทะพ่อกับลูกสิษตรงท่อค่ะอ่าก็แบ่งกันถวายพระค่ะเรากินคนเดียวไม่ไม่ไม่ไหวครอกกินไม่ได้น้ำตาลเยอะเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานขึ้นมา หรือหลงพ่อหลวงพ่ออยากจะได้เก้าสิเก้าปอร์ซ็นไหมคะไม่มีน้ำตาลไม่เราอยากินในกาถ้าไม่มีน้ำตาลี่กินก็กินเพราะมันรดหวานเนอะเจะได้มีความรู้สึกมีอะไรสดชื่นหน่อยนี้ก็เลยไม่ไม่เอาไม่เอาเจอที่มันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เข้มมากก็เลยเอาไปหกสิบเปอร์ซ็นห้าสิบปอร์เซ็นตโอเคได้อันนี้ก็แล้วแต่สัดส่นนะอย่ามาหาว่าเรากำหนดกฎเกณฑ์นะเดี๋ยวไม่เจ้าค่ะหนุ่เดี๋ยวจโดนได้ หนูเต็มใจหนูหนูเมี่ยหนูศรัทธาอยากยาเอาไปถวายเองเจ้าค่ะมีโอกาสค่ะ ข, ขอบระคุณหลวค่อค่ะสาธุค่ะอาจารย์ผมไมไลรอหน่อยนอยเดี๋ยวนี้เกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนี่นะชั่วโมงยี่สิบนาทีคุณนุกูนอนแล้วเลยหลับไปหลายตื่นะลุกแล้วลุกมาักหน่อยว่าะลกแล้วค่ะ ได้ยินเสียงคําว่าช็อกโกแลตก็แบบนมัสการพระอาจารย์นะคะรู้สึกหิวขึ้นมาเหมือนกันเลยจ้ามัสการะอาจารย์นะแต่ของยาาโยมมันต้องแบบที่มีนมผสมมีมีถั่วมีอะไรด้วยฮน ะ, ะใช่แต่ว่าฉั้นตอนตอนเยน็เยนๆไม่ได้นะคะถ้ามันช็อกโกแลตมันต้อมีน้ำตาลต้องมีน้ําตาลอย่างเดียวไม่มีนมไม่มีถั่วม้วยอะไรผสมอยู่ได้ เพ Pl <Pl ain S 1> ล i ก็เลย plain นช็อกโลตอือหือกำลังฮิดช็อกโกแลตดูใบกันเอ่อเห็นแบบ อ, อะไรแบบก็แปลกดีอะแพงมากค่ะมผมได้ชิมไปสักนิดหนึ่งฮะเราคงไม่ติดใจค่ะเหมือนกันอะมันะมอและนะค่ะอาทิตนี้สัปดาห์นี้ก็ เออเป็นธัรมดาของการไปเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลกันนะคะตรวจตัวแต่ละพัตแต่ละพัตตรวจดีเตรีมตัวให้พร้อเวลาเดินทางจะได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ น, นี้ก็ตรวจหกเดือนสามเดือนสองเดือนก็ดีขยายเวลาออกไปเรื่อยครับเดิมทีทุกๆุกสองอาทิตย์ตอนนี้ก็สี่อาทิตย์หกอาทิตย์ตอนนี้ก็สองเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งแสดงว่าการดีขึ้นตามลำดับ ก็วันนี้ไปบอกหมอบอกว่าเป็นอะไรมากวันนี้ก็เล t อ t b บีอะหมอก็งงฮะหมอก็เลตอิดบีก็คือไม่ต้องไปรักษาอะไรที่มันแบบวุ่นวายมากเอากำลังดีๆ อ, อายกุก็เยอะแล้วดีกำลังามามวันนี้ค่ะถ้ามันจำเป็นจะอย่าไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่า ใช่อะแต่เพราะมันเป็นหลายโรคไปแล้วมันก็ต้องเขาก็นั้นให้ไปอ่ะค่ะอ๋อไปแล้วก็ไหมมันก็เจอรุ่นนั้นรุ่นนี้ตามมาเลยอะเพราะสมัยนี้เขาขึ่งมือเขาการสมัยมาหมอเห็นทุกอย่างเลยอืมเสร็จสีครับเวลาให้ไปมองอะไรเราก็ไม่อยากจะไปให้เขามองนะอืมหมอก็พยายามอยากจะส่งไปเครื่องนู้นเครื่องนี้อะไรเงี้ย นี่เราก็มีหมอชวนไปเมนกันนะอย่าไปเพราจะให้ทำเอมาออะไรวยังยังังแต่มหาที่ที่หลังใช่ไหมคะไปดูแฟนหลังต่เไม่เวลาตอนนี้เรายังอยู่กับมันได้อยู่จะไปดูก็ดีมนกันคะหลังยางเดียวน้าหลไม่เดียวดูไปเดี๋ยวน่ายาวเน่ายาวเพอยังไม่ปวดมากก็ เรื่องโอรงพยาบาลนี้เราเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเพื่อกาปรปาฎินา <Okay. S 1> แต่อยู่ห่างไกลได้ยิ่งดีแต่ขึ้นลิฟต์เข้ามาหลายครั้งเลยไม่ไม่ไม่ใช่กลัวเจ็บแลว้วกลัวตายนะกลัวความวุ่นวายกลัวค<ๆ>วามยากเพราะฉะนั้ น, นเดินทางไป <S <S> <S เดินทางมากลับไปกลับมานี่มันไม่ใช่ของง่ายยิง่งเรามันมีวินยัยมีการปฏิบัติที่มันี้เวลาเวลามันจะปรับให้มันไปอยแบบโรงพยาบาลนี่มันยาก แล้วนี่ถ้านต้องเดินทางระหว่างจังหวัดนี่มันต้องใช้เวลาด้วยมันกไม่ชันไม่สะดวกเลยเปรักษาด้วยธรรมะสดดีทีสุดด้วยสติในปัญญาเนี่ยทาใจทใ่านบอไม่ทุกข์กับมันก็อยู่กับมันไปก็พยายามพยายามศึกษาปฏิบัติเรียนแบบพระอาจารย์อนูค่ ะ, ะว่าไม่ก็คือปฏิบัติให้มากที่สุดแล้วก็ เลตกะเลติดบีก็มันสบายดีอืมไอ้นี่เสก็ต้องต้องปล่อยมันอยู่ดีนักษาถ้าเป็นแทบตายในเสุดมองก็บอกยอมแพ้ตัวหมอเองจะเป็นคนบอกยอมแพ้ต่อใชรักษาไม่ได้แล้วสิอืมนี่ก็ยอมแพ้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ไปโรงพยาบาลไม่ดีกว่าเลยเพราะทำใจกันพระพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ไปโรงพยาบาล ท่านไม่ไปรักษาโรงพยาบาลท่านอยู่ที่วัดรักษาไปตามอัตภาพสมัพุทธกาลเขาไม่มีโรงพยาบาลท่านก็อยู่กันได้ท่านก็ตายกันได้ใช่อือเหมือนกันเขาตายเหมือนกันตายง่ายตายสบายกว่าด้วยซ้ำไปไม่ยุ่งยาอไม่ต้องให้ก็มาเจาะนู่นเทมเอาเข็มเอาเข็มมาเทมม า, ท ม, มาแทงตรงนั้นด้ยเอาสายยามาเสียบอะไรวุ่นวายทั้งหมดเนี่ค่ะทำไปแล้วมันได้มันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ย ทำไปเยอะมากค่ะหลายหลายรูปแบบมากโอเคขอให้เป็นอย่าเป็นก็แล้วกันนะก็พอไม่เป็นอีกแล้วลค่ะพอแล้วแค่นี้บอกมอกหมอพอแล้วโอเคพอข่ะรับธรรมะโอสถจากพระอาจารย์นะคะเอามาวิเศษที่สุดยาวิเศษที่สุดก็คือธรรมะโอสถทำใจให้ไม่ทุกข์สักอย่างเดียวแล้วไม่มีปัญหา ร่างกายมันจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนมันก็อยู่กับมันได้ค่ะคุนรับนำไปปฏิบัติค่ะใ่่สาธเตอราจารคุณเองิงน้องเองิงถามเอายายอะไรอย่างวันนี้ถ้าไม่สบายใช้ทํอาวอโสได้ไหมตอนนับวัสดุอาจารย์อย่างวันนี้ถามค่ะวันนี้ไม่ได้เค่ะ เออวันนี้ก็มีเรื่องมารายงานพระอาจารย์สองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะแบบเออเหมือนเอิงก็ตั้งใจจะไปใส่บาพระอาจารย์ค่ะแต่ว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเอิงก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเองิงเมื่อก่อนเอิงก็คงทูกค่ะ แต่ตอนนี้แบบเอิงก็รู้สึกว่าก็แก้ไขตามเหตุปัจจัยถึงแม้ว่าไม่ได้ใส่บาทพระอาจาร์ตามที่ตั้งใจไว้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นมาค่ะพระอาจาร์อันนี้คือเรื่องที่ได้เรียนรู้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะ mm hmm. <laughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจาร์เออเออเองตั้งใจแบบไปหาที่วิเวก ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก็ยังไม่รู้ตัวเองอะนะคะว่าจะติดปัญหาอะไรไหมแต่ว่าแบบตั้งใจจะไปอยู่วิเว้แบบไม่มีไฟฟ้าแล้วก็มันมีสถานที่ในเมืองไทยค่ะพระอาจารย์ที่แบบเป็นที่ปฏิบัติธรรม ท, ที่อยู่คนเดียวไม่ต้องทำข้อวัดใดในอกจากสวดมนต์อะนะคะไม่ต้องไปทาแบบไม่ต้องไปเจอคนเยอะคือพอสวดมนต์เสร็จก็กลับเข้ากุติตัวเองแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวแล้วก็จะมีข้ามาส่ง ฟรีค่ะมือเดียววันละมือแล้วเราไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วก็เป็นป่าค่ะแล้วก็นั่นแหะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเองคิดว่าในถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปวิเวกแบบยาว เพราะว่าถ้าแบบที่ที่เอิงเคยไปปฏิบัติก่อนหน้านั้นก็คือพอมีคนรู้จักแล้วอะค่ะมันก็เหมือนแบบเราก็ปิดวาจาไม่ได้เหมือนถ้ามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นหมู่คณะแต่ว่าเราอยากปฏิบัติเข้มข้อนอยากแบบดูกายดูใจตัวเองแบบอยากลองดูจริงๆเพราะแบบเออมันเป็นยังไงเนะะี้ยค่ะก็เลยจะเลือกที่ที่ไม่มีใครรู้จักเอิงค่ะนี่ลองไปดูก็อะไรเงน้ยะอาจารย์ค่ะโอเค คิาจะไปเมื่อไหร่นะใกล้ๆเลยใกล้ในี้เล้วยังไงไม่ได้ค่ะต้องเคลียร์ปัญหาที่เอเกิดขึ้นก่อนค่ะอาจจะต้องัจบปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็า ไ, มไม่ไม่แน่ใจ <laughs> แต่ก็อยากอยากบอกพระเจ้าเออน้องก็ตั้งใจที่จะแบบปฏิบัติหรือว่าอยู่กับตัวเองแบบเป็นหลักเดือนแล้วก็วิเวก ค, ค่ะอืตั้งาจแต่ต้องทําไม่ได้แต่แ ต, แต่ไม่ได้กวนหัวแล้วะว่า ทำไมไมันตั้องกังวล น, นะมันการปรฏิบัติมันไม่เกี่ยวกับการกลหัวแล้วไม่กลหัวแต่ถ้ามัน ป, ปฏิบัติได้ผลดีมว่าไม่อยากจะมีผมแนละ้วมันเป็นพาละค่ะผู้อาชีพโกลหัวแล้วสบายไม่ต้องหวีไม่ต้องสระไม่ต้องอะไรนะรงบา ย, ยาใจถึงเวลามันรู้เองของมันี่สันทิสติกโกค่ะผู้ อ, ขอารย์วันนี้ก็มาประมาณนี้ค่ะ โอเคเราทำ AI ดูนะถ้าไม่สบายใช้ธรรมะโอสถ ร, รักษาได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวนองเอิว่าส่งอาทิตย์หน้าอืมหรือถ้าเจอโรคโรคภัยไขเจ็บที่รักษาไม่ได้นี้ธรรมะโอสถช่วยเหลือได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าเอิงตอบเองเอิงรู้สึกว่าแบบพอทางโรคอะ่ะมันเหมือนจะให้เราอยากรักษาค่ะ ขนาดเดืนเดือนจะต่าไปไงก็แล้ได้ค่ะได้เพราะขนาดตัวเอิงเองอะค่ะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าแบบเออไม่ต้องทำประการอะไรเงอ่เอิงคิดว่าไม่รักษาได้คือตัวเอิงกวันนี้เอิงไม่ได้กินยาอะไรค่ะผู้อาวุโอแต่คุณพ่อก็เหมือนแบบทาไมถึงคิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ยังไม่เข้าใจเขาก็อยากดูแลลูกเขา อันนี้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอิงถามแล้วเดี๋ยวเอิงจะมาส่งค่ะคนที่มีธรรมะกับคนไม่มีธรรมะจะมองโลกไม่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์คนที่มีธรรมะจะมองเห็นความแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนไม่มีธรรมะนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหมใช่ค่ะอืมโอเคขอบคุณนะคะพระอาจารย์คุณมาเลยคุณมาเลนี้เห็นไหมว่าเรื่องธรรมดาแล้วใช่ไหยแก่เจ็บตาย ผมเข้าเดยนี้ไม่ไม่ไปร้านเสริมสวยอะไรนะไม่โหหลวงพ่อหนูไม่ไม่เคยเข้าร้านตัดผมอะหนูทำเองค่ะตัดเองตัดเอด้วยนะโอเคใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ผมขาวค่ะหลวงพ่อมีแต่คนทักเท่นั้นเลยค่ะหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจไม่ค่ะคือแต่ก่อนเน่ะรักสวยรักงามต้องเนี้ยต้องเปย์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนมันตัดออกเลยแล้วก็โล่งใจเบาใจค่ะแล้วก็รู้สึก เราไม่ใช่นั่งกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเลยนี้นค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ามันอยากเอาผมออกค่ะหลวงพ่อมันลาคานเนี้ยค่ะไม่ไม่อยากมีผมรู้สึกแบบว่าเอาออกเสีเอาบบเอาอกแล้วเวลาไปทำงานก็หามบิกมาใส่หน่อยฮะวิกก็เป็นเหมือนหมวกไะใส่หมวกไปหนูหนงพ่อหนูว่าเตรียมเตรียมหมวกไว้ค่ะหลวงพ่ อ, อจริงจอ่ะหนูห น, หนูอยากจะไปตั้งแต่เดือนมีนาแล้วค่ะหลวงพ่อหนู คือไปไปที่อินเดียนเตรียมชุดเตรียมอะไรไปหมดเลยค่ะนุญาตอยากไปทางนั้นเลยอ่ะแต่มันพอไปถึงแล้วมันไม่ได้ค่ะหลวงพ่อก็เลยเตรียมเกอร์ค่ะหลวงพ่อคือแบบทําแบบไม่ให้ไม่ให้ใครดูตัวตั้งตัวเลยค่ะเตรียมไว้หมดทุกอย่างเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็มีทีาไปดูเข้าไปดูก่อนใช่แล้วเขาเขาเหมือนแบบตกใจว่า ไปจริงๆเหรอหนูเตรียมไว้หมดเลยค่ะชุดเชิดเตรียมกลนหัวเตรียมอะไรแบบทุกคนตกใจหมดเลยอะค่ะหลวงพ่อ <c oughs> แล้วตอนนี้แม่ก็ผ่าเขาเดินแบบยังไม่ค่อยได้อีกอะไรเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูหนูเลยทําอะไรไม่ได้เลยก็คือดูแลไปแล้วก็ปฏิบัติไปค่ะหลวงพ่อ <c oughs> แล้วก็มีคนมาแนะนําอีกอค่ะหลวงพ่อว่าหนูเช้าเหมือนเดิม เขาก็จะให้เปลี่ยนวิธีหนูใหม่ค่ะหนูหนูเห็นอะไรบางอย่างซึ่งหนูถึงหนูจะเดินช้าแต่หนูคิดว่าหนูนะ่าจะเดินถูกค่ะหลงพ่ออืมไม่มีคใครรู้รูดีเท่าตัวเราเองนะค่ะหลงพ่อนอกจากเป็นครูบาอาจารย์ที่มีมียาณอย่างานะทราบสนี่อาจจะจะรู้อะไรที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะแต่อันนี้เป็นคารวะค่ะหลวงพ่ อ, อเป็นคารวะ หนูหนูไม่ไม่มีคขาถามแล้วค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะย่าต้องไปเร็วหน่อยคนละสีห้านาทีนะค่ะยังมีคนรอยยาวหยู่แน่ค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อค่ะค <uh> ุณเอกคุณเอกเชียงรายต่อการนมัสการพระอาจารย์ครับมีอะไรไหม ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็วันนี้มาร่วมรับฟังกับอาจารย์ก็ไปบวชทุกวันครับอาจารย์ครับโอเคเหมือนเดิมครับก็อยู่กับอยู่กับเวทนาได้ได้นานอยู่ครับอาจารย์ครับโอเคนี้ว่าต่อไปเวลาเจ็บไา้ได้ป่วยจะได้ไม่ทรมานครับผมก็เดี๋ยวนี้แบบถ้ามันปวดมาจิตมันก็เหมือนเหมือนกับมันยิ้มครับอาจารย์อืมมันยิ้มเมื่อเจ็บเพื่อนเก่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่ามาเยี่ยมเราแล้วนะ ยินดีต้อนรับต้ยินดีต้อนรับเครับผมใช่ครับถ้าเกิดวันไหนไม่เจอมันก็แบบให้วันนี้ทําไมไม่มีตั้งไปสองชั่วโมงไม่เจอเลยอย่างเงี้ยครับคิดถึงเพื่อนเก่าฮะเดี๋ยวถ้าแต่ถ้าวันไหนเจอก็เออก็ก็ดีครับมันทําให้ไม่ง่วงนะครับอยู่ร่วมกันได้ครับก็นึกถึงคําที่อาจารย์ที่สั่งสอนไว้มันเป็นธรรมชาติของมันมันก็อืเกิดเองมันก็ดับเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์ับอืก็พออยู่ได้ครับอาจารย์อื ครับขอบคุณอาจารย์ครับผมถ้าท่านอาจารย์แข็งแรงครับสาธุครับคุณยินดี USA นิวยอร์กสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนเดิมค่ะเดวิดก่อนไปก็เหมือนเดิมวันนี้ท่านอาจารย์มาก็ฝากความระลึกถึงแล้วก็บรอเทาใจให้อาจารย์ด้วยนะโอเคสาธุขอบคุณมากนะอขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ โอเคบ้านมาลิกาดาราที่ว่ า, าการน้มัส ก, การเจ้าแบบพรอาจารย์ก็รูกก็ปฏิบัติอยู่นะพระอาจารย์ดูแลคุณพ่ออยู่หรือเปล่าดูแลกับพระอาจารย์ก็เอาพ่อเอาพ่อมาเป็นมาเป็นแบบอย่างที่แบบว่านั้นต่อไปแล้วบบต้องเป็นเหมือนกันนะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังนึกว่าอื หลายหลายคนถ้าเก้าสิบปีแล้วจะเดินไม่ได้ต้องดูแลต้องนั่งยุกรอนยุกแต่พ่อไม่เสถีนอนยังเสียงดังด mm hmm. ูมีสติพร้อมอยู่แล้วก็ไม่เรื่องมากทานอะไรก็ทานได้แล้วก็พ่อเคยบวชพระอยู่นานดังนั้นก็ความมีวิ น, นัยในการทานอาหารกินไปทานไปก็หมายถึงว่า หนึ่งมื้อก็ระหว่างมื้อจะไม่หุนพุ่นไหวแจ้งาคา่ะพระอาจารย์อันนั้นก็คือในเมื่อเราเป็นลูกก็คือพยายามดูเป็นแบบอย่างเดี๋วค่ะพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าแม่จะกินข้าวพ่อก็ตั้งหน้าโมอาบน้ําก็พ่อตั้งหน้าโมก็อย่างนั้นก็รู้ว่าเออนี่แหละเป็นแบบอย่างที่ดีคนที่จะเรียนรู้เอาไว้ในการที่ปฏิบัติตัวโดยเฉพาะลูกตัวคนเดียว ไม่มีใครพ่อจะเราไม่มีลูกไม่ได้ทายาบาลดูแลเราเน่ะเราต้องดูแลโดยเองเจ้าคะอาจารย์ดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมที่จะในจุดนี้ก็ไม่มีตอบว่าไม่มีตอบที่เราไม่มีลูกหลานมันเวลาเราเนอะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กังวลเคยบอกกับน้องว่าพี่ตัวคนเดียวก็ก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงอได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเนอะใช่เจ้ากับพ่ออาจารย์ดังนั้นเวลาลึกถึงว่าแต่ว่ายังมีความอยากนะพ่ออาจารย์เวลา ปฏิบัติแล้วมันล้มลุกคลานได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกัว่าความคิดมันก็ผุ้งอะไรปัญญถึงว่าเออนะเราอยู่บนเขานี่คือความอยากแต่ว่าพยายามที่จะนึกดึงขึ้นมาว่าเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้พยายามอยู่ให้ได้อย่าอย่าไปทับคิดมากคิดนวนคิดนี้เอาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดทำให้ได้ตื่นเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อนั้น ได้บ้างไม่ได้บ้างห้านาทีสิบนาทีก็ทำไปพ่อเรียกก็ลุกขึ้นแกแล้วก็ห่วงแการดูแลพ่อไปโอเคดูแลเจ้าขาไปจะาสาอุสาธุคุณหมอใหม่จารทั้งรูเล่สามนมัสการพระจารย์ค่ะก็ปฏิบัติค่ะช่วงนี้ก็นั่งนั่งได้เยอะขึ้นมากกว่าหนึ่งชั่วโมงทุกวันค่ะ <ม>แล้วก็ เ, ว เ, ว เ, เป็นหมอมีเวลานั่งด้วยนะ ห, หนูจะนั่งช่วงกลางคืนค่ะบางทีเลิกงานสี่ทุ่มหนูก็นั่งห้าทุ่มหนึ่งที่ยงคืนประมาณเนี้ยค่ะไม่หลับไม่ง่วงนะ ม, มันมันรู้สึกว่ามันต้องนั่งอะค่ะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่นั่งมันจะรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างอ่าเดค่ะแล้วก็ช่วงช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วมีบททดสอบเรื่องสุขภาพค่ะ คือด้วยงานมันเยอะแล้วหนูก็ไม่ค่อยได้พักเงี้ยค่ะเออมันปวดหัวด้านด้านซ้ายมากแล้วมันก็มีเสียงผิดปกติในหูแล้วหูมันก็ดับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอาจารยมันไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยค่ะมันมันเหมือนมันตอบตัวเองขึ้นมาว่าเออมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. หนูก็ไม่ได้กินยาไม่ได้ไปตรวจกับเพื่อนที่เป็นหมอหูอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. หนูก็ดู ดูมันอย่างนี้ น, นะคะ่ะเดี๋ยวมันมีเสียงผิดปกติเดี๋ยวมันหูดบับสลับสลับอย่างเงี้ยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็มันก็หายหายของมันไปเองอะไรเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็รู้สึกว่ามันถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูก็คงดิ้นรนจะไปแบบทํานั่นทํานี่ตรวจนั่นตรวจนี่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเะพาหมอเฉพาะทางว่าว ใช่ใช่ค่ะเหมือน<ม>ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาต้องเอาให้สุดให้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้คือมันเหมือนมันมันปล่อยแล้วมันมันรู้สึกสบายใจว่า<ม>เออมันก็เป็นแบบนี้อเยะะ้ยค่ะยาทักเม็ดหนูก็ไม่ได้กินเลยะคะ่ะหลวงพ่อค่ะเ<ม>ด้อโรคบางโรคมันเป็นองมันหายเองได้ค่ะก็ก็รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อค่ะช่วง น, นี้เหมือนธรรมะเขาเข า, เข า, เขาทํางานนะคะเพราะว่าอย่าง แฟนก็เริ่มมาปฏิบัติแล้วก็เขาก็นั่งพุทโธอะค่ะก็นั่ง<ม>ได้เขานั่งทีละครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเขานั่งได้วันหนึ่งประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเงี้ยหลค่ะค่ะ<ม>ก็คิดว่าคือในบ้านมันบรรยากาศในบ้านมันดูสงบร่มเย็นขึ้นค่ะหลวงพ่อค่ะถ้าปฏิบัติทำแล้วมันจะไม่วุ่นวายค่ะ แล้วก็ช่วงนี้เหมือนงานมันเยอะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่มันระบาดด้วยก็ต้องไปช่วยเขาตรวจด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใจมันไม่ไม่เดือดร้อนค่ะมไม่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรืออะไรก็รู้ว่ากายเหนื่อย ก, ก็ก็เป็นเรื่องของกายไปแล้วก็ทุกวันหนูก็ต้องมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลทั้งสองส่วนทั้งกายทั้งใจค่ะก็พยายามหาหาเวลาพักอยู่ค่ะหลวงพ่อวันนั้นหนู วันพฤหัสที่แล้วหนูได้หยุดนะคะหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะขับรถไปไปไปใส่บาตรหลวงพ่อที่พัทยาค่ะแต่ว่าพอดีฝนระหว่างทางแบบฝนมันตกหนักมากแล้วหนูขับรถไม่เก่งหนูก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวแบบกลับบ้านแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อก็อถ้าหนูมีวันหยุดหนูก็จะไปกราบหาเวลาไปกราบหลวงพ่อค่ะ กิเยสมันชอบปฏิบัติชอบออกไปข้างนอกมา ก, กว่าอยู่ในบ้านอยากให้ออกไปแต่ปฏิบัติอยู่ในบ้านมมนได้ได้ประโยชน์มากกว่า <S <S ปฏิบัติทำได้ประโยชน์มากกว่าการทําบุญใส่บาตรแต่กิเลมันช อ, ชอบชอบดึงเราไปทาบุญใส่บาตรมพื่ได้ออกไปข้างนอกอืมใช่ใช่ค่ะสัมผัสกับ <S <S <พอ S 2> รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <S <S ใช่ค่ะใช่ค่ะ เออเป็นความอยากอย่างหนึ่งค่ะหลวงพอ่อแต่มั น, ม, นมันอาศัยเหตุมันอ้างมาไปทำบุญไงใช่ใช่ใช่ค่ะอโอ้จริงเลยค่ะหลวงพอ่อทำบัติบัติธรรนั่งระวันโดนยเีเล็ตอนนี้ช่มหลอกเราอยู่เนี่ย <laughs> โดนหลอกเต็มเต็มเนี่ยอ่าหลวงพอ่อก็ช่วงช่วงนี้ก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนแต่ละครั้งที่นั่งสมาธิก็สงบได้ค่ะแต่ว่าก็บางทีก็รวมบ้างไม่ บางทีก็ไม่รวมเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รู้สึกอย่ า, าไปกังวลขอให้เราทําเหตุก็แล้วกันให้มีสติบางทีมันจะสงบตอนที่เราไม่ได้นั่งก็ได้บางที่อยู่ตอนไหนช่วงไหนว่างๆมันก็จะลงให้กับเราก็ได้ใช่อืมใช่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะแล้วตอนที่เราจะพิจารณากายอย่างเงี้ยค่ะคือเราเราควรจะทําทําพอออกจากสมาธิแล้วเราทําเลยหรือว่าเรา แล้วแต่เราจะสนุกการพิจารณาเพื่อศึกษาสอนใจให้เรารู้ความจริงของ ร, ร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันดินน้ำลมไฟไม่สวยไม่งามเป็นอาการ32ให้พยายามสอนใจให้ให้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อต่อไปมันจะได้ไม่บาววิตกกังวลกับเรื่องขอ ง, ขอ ง, ของ ร, ร่างกาย เข้าใจแล้วค่ะหลวงพออ่อจะจะสอนตอนไหนก็ได้แต่อย่าําในตอนที่เรานั่งสมาธิเ่านั้นเองเพราะตอนนั่งสมาธิเหมือนตอนที่เรารับเราเราหลับนอนเราไม่ต้องการให้น่างกายทํางานตอนที่เรานอนจันไดเราก็ไม่ต้องการให้จิตทํางานตอนที่เราเข้าสมาธิอืแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วจะใช้จิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้อืถ้าแต่ถ้าเราเป็นหมอแล้วเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว เราไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์อยู่เราทุกข์กับเรื่องอะไรก็ล้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายนักเหมือนกันอืมคือช่วงหนูช่วงนี้หนูจะมีความทุกข์เพราะว่าบางทีหนูอยากไปอยู่วัดเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่มีเวลาเขาไม่ให้หนูลายเงี้ยค่ะหนูก็หนูก็ดูดูไปอ่ะถนูก็มองว่ามันเป็นความอยากอย่างหนึ่งเหมือนกัน จะเป็นความอยากที่ดีความอยากไปวัดมันดีแต่ต้องรองโอกาสค่อยๆ อ, อยากตอนนี้อย่าเพิ่งไปอยากถ้ายังไปไม่ได้อย่ากเพิ่งไปอยากก็อันนีงพอดีแฟนเขาเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะไปปฏิบัติธรรมที่ที่วัดของพระอาจารย์ค่ะเขาไปมาเลยเขายังไม่เคยไปค่ะเขา เ, เตรียมเสืพงสภาอะไรไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อค่ะก็ <Okay. S 2> ก็ ดูเขามุ่งมั่นมาทางนี้สักเดือนหนึ่งแล้วค่ะนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าจะก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยอยากไปอยู่วัดค่ะเบื้องต้นจะมาภาคข้างล่างก่อนที่พระมีที่พระเป็นสัตว์เป็นส่วนมีน้ามีไฟถ้าต่อไปชํางนานแล้วอยากจะขึ้นไปอยู่แบบบนเขาอยู่แบบในป่าก็ค่อยๆค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเออ่ ของเขาจะไม่ได้เหมือนเขาไม่ถนัดพุทโทแต่เขาภาวนาวิธีไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้ภาวนาเป็นอเลียสสีอะค่ะทุกสมุดไทยนิโรธมักอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะได้นะวิธีไหนก็ได้ขอให้ทำให้ใจสงบไม่คิดปุ่มแต่งมากขกันค่ะหนูพอ่อวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะหาโอกาสวันนี้ก็รีบรีบเข้ามาหนูเลิกสองทุ่มแล้วหนูก็โชคดีมากค่ะที่ที่พี่แอดมินเขาให้เข้ามา <ปะ S 1> พอดีช่วงนี้ยังมีเวลาพอที่จะคุยได้อยู่กับหลวงพ่อค่ะคุณหมอสุตัสเนคุณหมอไม่มีคำถามอะไรใช่ไหมธรมมสการ์ท่านอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณอ n น i n น x เพิ่งเข้ามาใหม่ข้างล่างอยู่ที่ไหนชื่ออะไร ก, การการหลงพ่ อ, อชื่ออะไรจ้าออชื่อกุ้งค่ะกุ้งอยู่ที่ไหนอยู่ยะลาค่ะยะลาเคยเข้ามามา่อก่อ น, นใช่ไหมค่ะค่ะเคยเข้ามานานนะค่ะสองสองครั้งแล้วอะค่ะครั้งก่อนหน้านั้นหลายปีแล้วอืมค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ตอนยะลาตอนมาอยู่ยะลาเนี่ค่ะแล้วก็ก็เข้ามาคือคือจะมา สอบถามสภาวธรรมพระอาจารย์นะคะว่าเอารู้สึกว่าช่วงนี้คือเหมือนกับว่าสติอาจจะจะจ ะ, จะตามทันอารมณ์ได้ได้ชัดขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนะคะเหมือนพอมีอารมณ์อะไรแล้วก็เหมือนสติมันมันมันอ่าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะเอหยุดคือคือพอตามทันแล้วก็อาจจะแบบว่าเออารมณ์นั้น หยุดหยุดไปเลยอ่าหรือไม่ก็คือสักแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้คือเหมือนกับว่าหยุดมันไม่ได้ก็ตามอ่าไม่ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับมันใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตามดูมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูมันแล้วก็ดีคือเห็นชัดรู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นอ่าแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เป็นเราเราไม่ใช่เป็นมันเราเป็นผู้รู้อ่ะแล้วแล้วก็อยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าทีนี้พอตอนสติมันไปตามทันเสร็จมันเหมือนกับว่า เราไปเห็นพอตามอารมณ์ปุ๊บเราไปเห็นไอ้ตัวสติอะคะ่ะไอ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าเราไปเห็นผู้รู้ไหมอะคะพระอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องสนใจมันเป็นยังไงอย่าไปอยไปสนใจใช่ไหมคะให้เรารู้เฉยๆอย่าอย่โลภกดหองก็แล้วกันเวล า, าที่เราเห็นอะไรค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ตามรู้แล้วก็แล้วก็อวกเ อ, อ, อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มีเขาสื่ว่าพอพ อ, พอตื่นนอนมาปุ๊บป่าสติมันจะ ม, นมันเหมือนกับว่าจะคือ จ, จ, จะเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยนะคะไอ้ทุกๆเช้าเลยก็คือ พอรู้สึกตัวปุ๊บอะมันก็จะแบบว่าพ้องพุทธทางสารนังกชานิทำมังตรนงกชานิสั่งครังตรนังกชานิคือคือคือทันทีเลยอะค่ะพอรู้สึกตัวปุ๊บมันจะแบบทําอัตโนมัติเลยค่ะมันเป็นมันเป็นสายของเราค่ะและ้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนสมมุติว่าเวลาเราจะพิจารณาเวลาจะพิจารณาร่างกายที่แบบว่าไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะโน้ม จะโน้มมาพิจารณาว่าเออร่างกายจกกระปกนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวเนี้ ค, คือคือมันมันโน้มเองโดยที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ดึงอะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าใช่ค่ะสมมติว่ากําลังกําลังเขี่ยหูใช่ไหมคะแล้วก็มีมขี้หูอย่างเนี้ยค่ะแล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยคือจิตมันคิดเลยว่าเอ้ยเนี่ยดูสิร่างกายมันมันมเป็นขี้หูอะใช่ใช่ช่ค่ะแล้วตาใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ในทางทาใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็แบบตลดสังเวชอะค่ะอด จะได้ไม่หลงไปรักขายใบลักขี้เขาค่ะค่ะนะคะอาจารย์แล้วแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือด้วยความที่ว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เวลาสมมตินั่งรถไปกลับอะไรเงี้ยก็จะแบบคือเหมือนกับมันทำงานเชียงไปใช่ค่ะมันก็แบบว่าจิตมันจะทํางานเองคือเหมือนกับว่าเอาพุทธังสล า, านางังทำมังสลาังสั่งทางสล า, านังเนี่ยคือตลอดคือเหมือนกับ ว, ว่ามันจะท่องเองอยู่ตลอดเวลา<อ>ค่ะแต่ทีเนี้ย ที่ที่ที่ไอ้นี่ที่ไอแตกที่นั่นก็คือว่าเอ่อมันมันรู้สึกว่าเหมือนเราเราเราเรา เ, ราเข้าถึงพระพุทธเจ้าะค่ะเหมันกับว่าเราเรารู้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอะคะ่ะหลวงอือแล้วก็แล้วก็ทีนี้พระมันก็เกิดติเตแล้วก็มันก็ร้องไห้ออกมาอืคือเหมือนกับว่าเหมืนกับ ว, ว่าเราไม่ต้องกลัวต่อให้เราอยู่ในที่ที่ว่าเสียงภัยแต่เราไม่รู้สึกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเราไม่กลัวอะไรแล้วอะค่ะหลวงพ่อนั่นนะคะไม่ไม่ม่ดวงตาเห็นธรรมอะ ค่ะก็เราทีนี้ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าค่ะนั้นค่ะก็เลยแบบว่าเออเราเราเรามีที่พึ่งแล้วค่ะเราไม่ต้องเราไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวแล้ว่ค่ะอที่พึ่งที่มีเศษที่เสื่อมค่ะมันก็เลยไม่ทำประสงค์ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยแบบไม่ไม่มีความกลัวกลัวตายหรือคืออะไรจะเกิดก็เกิดนะคะเพราะว่าเราเราเราเชื่อมั่นเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าค่ะเห็นก่อนทันจังเนี่ยจริงใจมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ แล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าเชื่อว่าคือโอเคต่อให้เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าคือเหมือนกับว่าเอาไม่้องไปอเอินเดียไม่ได้ไปอินเดียแบบเราก็ไม่เคยไปอินเดียแต่เราก็ไม่สงสัยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสัจธรรมาอย่างนั้นใช่เลยค่ะพระอาจารย์ก็คื อ, อว่าต่อให้เราไม่เคยเห็นแต่เราแต่เรารับรู้ได้ว่าเราสัมผัสได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วก็ท่านท่านปกป้องเราจริงๆริอะค่ะนั่นแหละก็เลยแบบมันก็ล้องออกมาไม่คําสอนของท่านไงคําสอนของท่านปกป้องเราไงเราคําสอนของท่านมาปฏิบัติ S <S <S <S เราก็เเห็นคําสอนพระเจ้าบอกใครเห็นคําสอนของเราก็เห็นตัวพระพุทธเจ้าคอุได้เห็นทางบูญนั้นเห็นเราตถาคนแล้วก็เคยเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าตคือขณะนั่งนั่งสมาธินะคะแล้วก็อยู่อยูก่ก็เอ่อนึกถึงคำของขอ ง, ของคือเคยฟังธรรมะของหลวงตามหาบวัวแล้วก็จําได้ดีเลยว่าท่านเคยพูดว่าเอ่อท่านเคยพูดว่า แต่ท่านบอกว่าท่านรักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจแต่ตอนนั้นพอฟังเสร็จก็ก็คือเข้าใจเลยว่ารักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจแต่ทีเนี้ยวันนั้นขณะที่นั่งสมาธิอะค่ะคือคําของลวงคําของหลวงตามหาโบก็ขึ้นมาว่าอ๋อไอ้คาว่ารักพระพุทธเจ้าสุดหัวใจอะมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือแบบมันรักรักแบบหาอะไรมาเปรียบไม่ได้เลยค่ะท่าอาจารย์มันรักแบบไม่มีใครไม่มีความคุณมากเท่ากับพระพุทธเจ้า ใช่ค่ะแล้วแบบก็จิตมันก็ไปเปียกกว่าเอ๊ะเอาอะไรมาเปรียบที่ว่าที่ว่าแล้วก็เล็กเข้าใจหลวงตามหาบัวเลยว่าอ๋อไอคําว่ารักพุทธเจ้าสุดหัวใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะนี่นั่นนะคะนี่มากแล้วแต่แต่ทีเนี้ยมันมันคือข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือว่าไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ยึดติดนะคะว่าเออก็คือไม่ไปทุกข์ว่าเออเราไม่ได้นั่งติดจิตไม่อยากนั่งเแตะว่าคือก็รู้ตัวว่า กิเลสมันเรายัางยังยังยังแบบว่าบังคับตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหรแต่จิตนั้นก็อยากแต่ว่าอาศัยว่ากลางวันที่ว่าทํางานนะคะก็พยายามอยู่กับสติอยู่กับบทสวด บ, บ้างทํางานไปสวดสวดมนบ้างสวดเออสวดมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับสติอาศัยตรงนั้นซะมากอะค่ะก็ดีแต่ถ้านั่งได้มันจะมันจะทําให้จิตเรานิ่งมากขึ้นดยนิ่งมากกว่านี้ ก็ค่อยๆทำไปหาเวลานนั่งอยูสิบนาที20สิบนาทีก่อนก็ได้ไม่นั่งมากก็ได้ถ้าไม่เริ่มมันก็จะไม่เริ่มต้องต้องเริ่มนั่ง<ช>มันจะเห็น<ช>มันจะเห็นจะเห็นผลประโยชน์มากขึ้นมสมาธินี่จะช่วยทำให้ปัญญาของเราเอ่อมีสมรรถภาพมากขึ้นตัดได้เร็วขึ้นแว่าก็มาถูกทางเลยใช่ไหมครับอา<ช>จารย์คือบว่าต้องต้องต้องให้พยายามนั่งสมาธิให้มากขึ้นใช่ไ สมาธิเป็นทางของบัญญาอืออาเาค่ะโอเคนะทำต่อไปมีอะไรก็เข้ามารายงานได้นะค่ะขอบคุณอาจาร์โอเคอันต่อไปคุณโกคุณโกอันนี้ยังอยู่ที่คคลดฟอร์เนีดอยู่ใช่ไหมน้ำมัชการเจ้าค่ะาารย์ังอยู่ที่แคลาร์เนาค่ะอืมังไม้กลับเมืองไทยนะ ยังเลยค่ะติดภารกิจค่ะน้องๆยังไม่ติดเทอมต้องดูดูรูเจ้าค่ะแต่ก็อยู่ไกลบ้านก็ยังได้ฟังธรรมได้อ่านธรรมะก็ก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งนันที่พวกเราโชคดีอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามธรรมะได้ทุกแห่งทุกคนใช่เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์ก็เทศสอนมาเยอะมากๆเวลาเวลากูมีคําถามกูก็เซิร์ชในยูทูบเจ้าค่ะก็ได้คําตอบนะเจ้าค่ะ ก็ได้คําตอบจากอาจารย์ก็ก็ช่วยให้เหมือนเหมือนมีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วค่ะอืมสวดีวันนี้มีอะไรไหมก็มามาฟังธรรมแล้วก็ได้คําตอบจากญาติธรรมที่มาสนทนารธรรมก็ไม่มีอะไรก็้วค่ะอาจารย์คิดว่าได้คําตอบหมดแล้วสวัสดีโอเห็นนั่งฟังนั่งต่ต้นเนยนะติดตามมันตัดต้นเลยแล้วก็ได้ ได้ความเยอะเลยค่ะเหมือนเอาเวลาปฏิบัติบุกคนก็คงมีมีผ่านผ่านความรู้สึกคล้ายๆกันเวลาเรามีคำถามในใจเออท่า น, นก็พูดพูดแ ล, แล้วก็เหมือนได้คำตอบไปด้วยเจ้าค่ะอาจารย์รดีโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปต่อนะหเวลาใกล้จะหมด้วค่ะมาส ก, การสำคัญโอเคคุณภูมิาหายหน้าไปนานไปตั้งหลักที่ไหนกันตอนนี้ โอกาสทำพิธีการครับอาจารย์ครับเอ่อครับอาจารย์เปัสบายดีเลยอ๋อสบายดีครับอาจารย์ครับก็กว่าจะกลับมามีอ่าใช้ชีวิตปกติได้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับาอาจารย์จนครับไม่มีเลยเพียงแท่นั้นแน่นอนนะคิดอะไรได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายตนก็เป็นที่เพิ่งเห็นตนครับอาจารย์กลับมาฝึกอยู่คนเดียวครับอาจารย์เออถูกต้องครับก็ คือผมก็ทุกข์มากเลยครับช่วงนี้คือคนรอบข้าง<ม>คนใกล้ชิดก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัดผ้าครับแล้ว<ม>เราเองก็เพิ่งมารู้ตัวว่าเหมือนเราใจเราครับไปผูกกับคนรอบข้างเยอะไปหมดเลยเราก็ทุกมากเลยครับ<ม>จนเราต้องกลับมารับตัวเองแล้วก็มาดูแลตัวเองครับก็<ม>ก็กลับมาฝึกต่อครับอาจารย์ครับ<ม>ก็ตอนที่ทุกข์มางๆเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ได้เรียนรู้เหมือนกันครับ อ, อาจารย์ ทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดกครับใช่ครับอาจารย์ทุกนี้ก็เลยกลับมาลดน้ําหนักมามาดูแลตัวเองแล้วก็อดอาหารเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับอตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอ่อปฏิบัติโฟกัสตัวเองมากขึ้นครับอาจารย์ภาวนา ส, สมาธิปัญญาใช่ครับช่วงชิบแปดใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็พยายามถือสินให้ใหครบครับแต่ตอนนี้ที่นับได้ก็ประมาณหกครับเพราะว่านานที่ผมทํามันจะต้องใช้ดนตรี ต้องทําอะไรอยู่ครับก็เลยก็คือได้วิการรับโภชนาไปก่อนครับอาจารย์ครับก็ดีครับถ้าจาเป็นต้องทํางานก็ทําไปครับแต่ตอนเนี้คือสิ่งที่ผมทุกข์มากมคือว่าผคือบางคนเนะครับเขาอิสระกันเรามากเลยแต่เราอ่ะใจเรายังไม่อิสระเลยผมก็เลยต้องแบบคือกลับมาเรื่องพุทโทรทโวสังโคผมก็เลยมาคิดว่าอ๋อผมก็เพิ่งเข้าใจว่าพุททางสารนังกระฉามีทำมังสารนังกระฉามีคือเราเอาพระพุทธธรรมประสงค์ไปที่พึ่งอ่ะเราก็ คือใจเราเขเต็มเลยเราจะไม่โหยหากับใครเลยครับอาจารย์ใช่ครับผมก็เลยพยายามกลับมาอะไรที่มันเป็นแบบที่เราเคยทำนะครับที่สมัยก่อนที่ผมมาคุยกับพระอาจารย์ในสมัยนั้นน่ะคือใจผมก็ไม่ได้สแสวงหาอะไรเลยครับอาจารย์ผมก็เลยต้องกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับพยายามอยู่คนเดียวให้ได้ครับอาจารย์ตาเฮาตนนาโครย์ครับพระอาจารย์ครับที่นี้ผมผมมีปัญหาที่ น, นี้ผมเริ่มกลับมาพูดโทครับอาจารย์ มีคำถามนึงคือเหมือนตอนนี้เหมือนเราเองเป็นคนที่ชอบใช้เครื่องมือเปชอบชอบใช้วิธีการมีทั่วครับบางทีเราก็มันก็พุดโทเองนะครับอาจารย์บางทีเราก็เกสาโลมาเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำํำก็เป็นมันก็มีสติครับอาจารย์แต่มันจะมีสภาวะบางสภาวะที่พอเรานั่งสมาธิแล้วตัวมันเบาครับมันมันจะมีสภาวะอย่างเช่นว่าเหมือนตัวเรามันจะลอยไปแล้วอ่ะแต่ว่า มันมีจิตอะไรมางอย่างที่มันมันเชื่อว่านี่มันเป็นคอเราอ่ะแล้วมันก็ไม่ปล่อยผมก็เลยงงว่าอะไรวะเนี่ยพอผมลองทิ้งมันไปเลยครับมันก็ไม่มีคอไม่มีแขนไม่มีขาไปเลยครับอาจารย์ตอนแรกผมมีความรู้สึกกลัวทุกครั้งในเวลาบวลาเจอสภาวะแบบเนี้ยแต่แล้วผมก็ทิ้งทิ้งมันไปแต่ละส่วนเช่นเนี่ยเหมือนเรานั่งสมาธินั่งหงายอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตมันไปดึงคอไว้ผมก็ปล่อยมันไปเลยแล้วตัวเราก็ไม่มีเลยมันไม่มีเลยเลยอาจารย์ แบบแบบนี้มันมั น, ม, นมันต้องทํำยังไงต่อครับอาจารย์เรอเราต้องเฉยๆถ้านิ่งๆเฉยๆแล้วทุกอย่างมันจะมันจะหายไปเองแล้วเราก็จะเข้าสู่ความว่างของจิตต่อไปครับอันนี้อนนี้เป็นอาการของจิตที่เราไปยังไปปรุงแต่งของมันอยู่ครับเราเราไม่ควรที่จะไปสนใจมันคว ร, ครจะให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์ผูกใจไว้จะดีกว่าครับ ถ้าอยู่ดูลอมก็อยู่คนบอมไปพุทโธก็อยู่พุทโธไปครับส่วนาการต่างๆที่ปรากฏนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวมันหายไปของมันเองครับมันเป็นตายรักมันเป็นหนังนิจจังทุกขังรัตตาครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่ที่ที่ผมเทำไปบ่อยคือว่าเวลาเราพุทโธครับเวลาเราใจมันเรามันไปเผื่อคิดเรื่องอื่นพุทธโธมันจะเหมือนเหมือนตัวเบรคครับที่มันจะคอยมาตัดตัดตัดตัตผมก็เลยเพิ่งรู้ข้อดีว่าจริงๆแล้วเราพุท การพุดโทมันทําให้จิตเรามาเป็นกาลางเวลาเราเจอเรื่องอะไรมันจะไม่บวกมากเกินไปแล้วก็ไม่ลบมากเกินไปเนี่ครับอาจารย์มันผมมีความรู้สึกแบบนี้มั น, มนประมาณนี้ไหมครับอาจารย์ใช่เป็นผลของการมีสติไงสติก็จะทําให้มีอุเบกขาวางเฉยครับมา้าม้าก็อยู่ขึ้นที่กําลังของสติถ้ามีสติมากก็วางเฉยได้มากครับอาจารย์ครับก็สุดท้ายแล้วเอออยากให้พระอาจารย์ช่วยให้กําลังใจหน่อยครับ ก็ น, นี่แหละให้ยด พ, <ขอ S 1> พระพุทธธรรมพสมไม่เป็นที่พึ่งของเรารด้วยกันด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครับอาจารย์คําสอนของคนอื่นก็ต้องต้องมาเปรียบเทียบกับคําสอนของพระเจ้าว่าตรงกันหรือเปล่าครับถ้าตรงกันก็โอเคถ้าไม่ตรงกันก็เลือกพระพุทธเจ้าไว้ดีกว่าครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์ครับโอเคนะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีที่ได้มาเจออะไรท่เาจะไม่ได้เจอกแล้วครับอาจารย์ครับ กอบขอบพระคุณมากครับโอเคสาธุเอาคนปูแป้งคนสุดท้ายนะเอาเร็วๆหน่อยนะกับสาธุค่ะมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีนะพอดีแค่บอกว่าหนุนได้ยาธรรมโอสดยาใจแท้ๆจากพระอาจารย์เจ้าค่ะโ okay. อเคมาเป็นเพศน่ะของพระพุทธศาสนาได้ยากินมากๆอาจารย์เ <laughs> พราร <Okay. S 2> พว่า yeah, yeah, yeah. เขทําให้ใจทิ้งกายแล้วไม่เจ็บร่างกายเวลาเจอจริงๆค่ะพระอาจารย์เดชทุกต้องคุณเจอเยอะนะเจอความทุกข์ทางกายเยอะนะเยอเลยได้หลายหลายการผ่าตัดเลยแหละค่ะพระอาจารย์โอเคเก่งมากเดชยืนยืนพระพุทธธรมรมก็สองไว้นะเป็นที่พึ่งเป็นสารนะที่แท้จริงเจ้จคาคยากับหมอก็เป็นที่พึ่งของร่างกายชัวย่วคราวเจ้าค่ะพอไปโรงพยาบาลก็คือยาลบ ยาทางกายแต่ว่าไปวัดยาทางใจเจ้าค่ะพระาอาจารย์โอเคด็โอเคสาธุคุณล้านมีคำถามไหมกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟ e b o o k เจ้าค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมเป็นมะเร็งให้คีโมแล้วทรมานมากพยายามท่องอาการสามสิบสองกลับไปกลับมาได้ โดยท่องวันหนึ่งหลายรอบและพยายามเดินจงกรมทั้งที่ไม่มีแรงแต่ใจมักจะกลับมายึดติดกับกายที่ป่วยเจ้าค่ะขอคําแนะนําด้วยเจ้าค่ะก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟมันมาจากธาตุสีของพ่อแม่มันมาสมกันแล้วก็เติมธาตุสีในท้องแม่จกนกระทั่งมันเจอิ่มเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาข้อออกมาพอาข้อออกมาแล้วก็เติมธาตุสีต่อ อาลมเข้าด้วยการหายใจดื่มน้ําเข้าไปเอาธาตุดินคืออาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายเราทั้งหมดมันมาจากธาตุสี่น้ํำลมไฟมไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราพยายามพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่ไม่มีตัวเราตัวเราคือจิตผู้มาครอบครองตัวเราเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่เป็นไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ธาตุดินน้ำํำลมไฟเป็นธาตรู้พยายามแยกธาตุนะ ธาตุจิตออกจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปล่อยให้ดินน้ำลมไฟก็เป็นไปตามแน่อของเขาเขามารวมตัวกันแล้วเดีย ว, วันหนึ่งเขาก็ต้องแยกตัวกันเวลาร่างกายตายไปลมันก็จะออกไปก่อนตามด้วยไฟตามด้วยน้ำนั่นไหนสิ่กัเหลือแต่ห้างดินที่แห้งกรอบร่างกายแห้งกรอบที่เป็นดินคำถามต่อไประหว่างที่ท่องอาการสามสิบสองกลับไปกลับมา โยมมักจะเข้าไปรับรู้แต่ละอาการทำให้การท่องสะดุดบ้างเพราะต้องใช้ความนึกคิดโดยเฉพาะเวลาท่องกลับหรือโยมควรจะท่องรวดเดียวไปเลยทั้งไปและกลับแบบไหนจะดีกว่ากันเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการผลทางไหนถ้าเราต้องการผลทางสมาธิเราก็ท่องไปไปกลับเลยไม่ให้พิจารณาแต่ถ้าเราต้องการปัญญาเราก็หยุดพิจารณาการกต่างๆได้ พิจารณาว่ามันเป็นแค่อาการมันไม่มีตัวตนผมไม่มีตัวตนขนไม่มีตัวตนเราไม่ได้เป็นผมเราไม่ได้เป็นขนถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้คำถามสุดท้ายจากคุณสุรศักด์กราบนมัสการหลวงปู่กระผมภาวนาฆ่ากิเลสความคิดไม่ดีความคิดที่ตำหนิคนอื่นโดยใช้คาบริก ร, รมว่า ค่าค่ากิเลสความคิดที่ไม่ดีได้ไหมครับและเป็นกรรมฐานแบบใดขอน้อมกราบพระอาจารย์ครับก็เป็นกรรมวิกรรมอย่างหนึ่งเป็นปัญญาด้วยถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปถ้าทําให้เราค่ากิเลสได้ก็ใช้ไปเวลาโลภเราหยุดบันได้ก็ดีเวลาโกรธเราหยุดบรรได้ก็ดีนโอเคนะคําถามก็หมดแล้วเวลาก็หมดพอดีสําหรับคืนนี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจาเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ